บทที่ห1บอดค่ำของวันเดียวกันนี้ระหว่างฝ่ายที่ล่วงหน้าไปก่อนกับฝ่ายที่ติดตามมาเบื้องหลังไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นสัญญาณติดต่อเชื่อมโยงให้รู้กันได้เลยโลกของแต่ละฝ่ายถูกแยกกันออกเป็นคนละส่วนระหว่างเบื้องหลังกำลังไต่ขึ้นหาที่พักบนหน้าผาตะเคียนทองฝ่ายที่ล่วงหน้าไปก่อนก็มาติดชะงักการเดินทางเอาบนไหล ของหน้าผาสูงชันแห่งขุนเขารูปนกอินทรีไม่อาจปีนตต่ต่อไปได้เพราะคนหนึ่งของคณะดับเครื่องฟิวขาดไปเสียแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายคือคริสติน่ากรูบิลทำให้ทั้งคณะจำเป็นต้องหยุดพากการเดินทางลงยังกระทันหันตรงเว้งใหญ่ใต้ผาชะ ง, งกนั่นเองระพินภพรวันเองก็่วยโอกาสนั้ น, นอนหลับด้วยความเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ และความรันทดเศร้าของดวงจิตส่วนลึกเขาถูกปลุกขึ้นมาโดยหัวหน้าคณะเองเมื่อความมืดปกคลุมไปหมดแล้วเพื่อให้ร่วมทานอาหารเย็นด้วยกันขณะนั้นมีแต่แสงตะเกียงแบตเตอรี่และกองไฟเล็กๆ เ, เท่าที่พวกพลานพื้นเมืองและลูกหกจะไปตัดมาได้จากพวกกิ่งไม้เล็กๆที่งอกขึ้นอยู่ตามซอกของโขดหินเท่านั้นคริสติน่ายังคงอยู่ในสภาพหลับสนิท ร่างของหลอนนอนหงายเหยียดยาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมที่เห็นครั้งแรกขณะที่พวกนั้นประคองขึ้นมามีผ้าห่มคลุมไว้จากปลายเท้าถึงรวงอกคริสเป็นอย่างไรบ้างครับเขาถามขณะนายจ้างรวมๆขึ้นขณะที่มองไปยังร่างของแม่ผมทองหลับตลอดมาตั้งแต่เราแบกกันขึ้นมาบนนี้นั่นแหละแซนลี <Stanley S 1> เป็นคนตอบคร่มๆไม่รู้สึกตัวเลยอาการไม่สู้จะดีนะเบลตัวดูบอกว่ามีไข้ด้วย จอมพลานปัดแขนเซอร์ดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้น 18.30 นโชคเราไม่ดีมาตลอดระยะทางมีเหตุอันเป็นไปให้ต้องเสียเวลากันอยู่เรื่อยอุปตโติยเหตุเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่กับคนนั้นก็คนนี้แม้แต่ตัวผมเองแต่เขาก็หันไปทางอิซาเบลหมอเบลคุณต้องดูแลเพื่อนของคุณให้ดีที่สุดสำหรับคืนนี้ถ้าคริสเกิดไม่สบายมากการเดินทางของเราก็จะยิ่งช้าลงไปทุกที คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้เป็นรายการปีนเขาตลอดเส้นทางเสี่ยงเหลือเกินประเดี๋ยวอีกสักพักฉันจะปลุกเข้าขึ้นมาให้อาหารอ่อนๆและจะให้กินยาเชื่อว่าอาจเป็นปกติในเช้าพรุ่งนี้ว่าแต่คุณเถอะพอคริสนอนหลับไปคุณก็ลงนอนเหมือนกันหลับมาไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงครึ่งตอนนี้อารมณ์ผ่องใสขึ้นบ้างหรื อ, อยังละ่ะเาฝืนยิ้มให้หลอนก้มหน้าลงกินอาหารกระป๋องบอบเรียบๆว่า อย่าถือสาอะไรกันเลยขอร้องหลายครั้งแล้วสำหรับในกรณีที่ผมอาจเยี่ยมเกลียมไปบ้างผมต้องการทำงานให้พวกคุณยังมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุดความจริงคืนนี้เราควรจะขึ้นไปพา ก, กันบริเวณหลายด้านซ้ายของเขารูปอินรีได้แล้วถ้าไม่มีเหตุเป็นไปเกี่ยกับคริสเตียนก่อนเรารู้ว่าคุณเป็นคนเอา ง, งานเอาการและจริงจังเพียงไหน เมื่อแรกๆเราเป็นฝ่ายคิดเราแวงคุณเสียด้วยซ้ำวะคุณจะแกล้งนํามาทางยืดญาติโอเอ๋อยู่แต่แล้วปรากฏว่าพวกเราเองนั่นแหละที่ไม่สามารถจะตามคุณทันได้แล้วคุณกลับเป็นฝ่ายเร่งเราอเมริกันอาวโุโสอันเป็นหัวหน้าคณะพูดตรงไปตรงมาผมอยากทํางานให้เสร็จสิ้นลงเสียเร็วๆสําเร็จหรือไม่สําเร็จให้มันรู้ชัดออกไปการจะมาเดินงมหากันอยู่ตลอดทั้งชาติมันไม่สนุกทั้งฝ่ายผมและฝ่ายคุณ เป็นตายร้ายดีเหนื่อยยากลำบากอย่างไรผมไม่วันหรอกขอให้ผลมันปรากฏออกมาเร็วๆ เ, เท่านั้นเขาก็ประกาศความรู้สึกจริงใจออกมาเช่นกันในคิดผิวบากหือพร้อมกับโครงศรีรษวะว่ะให้ตายหาผมกลัวใจคุณจริงๆไอ้พวกเวียดกงว่ามันทรหดกึดสู้สุดใจขาดดินละมาเทียบกับคุณยังไม่ได้ครึ่ง ทำตัวให้สบายๆก็แล้วกันรับทินตอนนี้เราทั้งหมดเป็นเพื่อนกันแล้วค้นหาซากเครื่องบินตกพบก็เป็นโชคของเราถ้าไม่พบและเห็นว่ามันสุดความสามารถของพวกเราภายใต้การนําของคุณแล้วก็จําจเป็นต้องกลับเรื่องเราจะต้องมาตายกันในป่าทั้งหมดไอพวกที่มันใช้เร า, ม, ามันก็ดีแต่บงการออกคําสั่งเท่านั้นมันไม่ได้มาเหนื่อยยากเลยตากระเด็นกับพวกเราด้วยบ้าเลยยำเลยขนาดค้นหาทางอากาศไม่พบเต็เสืกให้เราเดินป่ามาเดินป่า งมหาแล้วมันก็เป็นป่าธรรมดาเสี้ยเมื่อไรสารพัดภัยมันจู่โจมเข้ามาเล่นงานเราทุกรูปแบบเลยบัตรนี้พันเอกลาลี่คิดดูไม่มีพิษสงอะไรกับเขาอีกเลยนอกจากความเป็นมิตรยัยงสนิทใจเท่านั้นเชิดวุดแกลงบอกมาว่าหยุดบ่นเจ้าทีเฮวะคิดนี่มันงานของพวกนายโดยตรงละพินเขาเป็นแค่เพียงผู้รับจ้างมาเชิงบีบบังคับเท่านั้น ส่วนฉันเองก็พลอยติดร่างแห่มาด้วยในฐานะตัวแทนของฝ่ายข่าวกองทัพ บ, บกไทยตัวยังกระยักใจเท่ามดไอเวนเอ้ยประโยคหลังบุตรชายท่านในพนด่าเป็นภาษาไทยคีดยกเท้าจะถีบเชิดบุตรแต่นายทหารหนุ่มถีบสวนยันมาเสียก่อนลักษณะของคนทั้งสองเล่นกันอย่างเพื่อนสนิทแต่ก็มักจะหยอกกันหนักๆชิงไหวชิงพลิบกันอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวก็ซุบซิบมีรับลมคมในอะไรกัน หัวร อ, อ ก, กันคิกคักแต่เดี๋ยวก็ลุกขึ้นเตะกันเะทีเหมือนเด็กๆจนอิสซาเบลลำคาญใจเพราหลอนดูเหมือนจะเป็นคนกลางอยู่ในระหว่างสองบรุษต่างเชื้อชาติคู่นี้อยู่ด้วยร้องด่ามาว่าหยุดกัดกันเจทีเถอะอีเดียตทั้งทั้งสองคนนั่นแหละทั้งเชิดวูดและคิดจึงเลิกลากันไปได้เพราะต่างก็เกรงใจเบลอยู่ด้วยกันทั้งคู่เนื่องจากกลางพลายกันดานเช่นนี้ ทั้งสองได้อาศัยเบลอยู่เสมอทำให้ไม่ต้องถึงกับกลัดมันตายจัดว่าหล่อนมีบุญคุณอยู่ไม่น้อยที่เป็นคนเอื้อเฟื้อใจสปอร์ตพอสมควรในด้านนี้ดอกเตอร์แซนลี่นั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนับแต่แรกพบก็เคยวางตัวเป็นที่หน้าเคารพย่างอะไรก็คงเป็นอยู่เช่นนั้นและไม่ยุ่งอะไรในเรื่องอไรสาระนอกจากเคร่งอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้าเท่านั้น เป็นแต่ว่าในหมูนะ่คณะหากจะมีอะไรเลยเถิดเกินไปก็จะปรามเสะทีหนึ่งระพินตลอดทั้งวันของวันนี้ก่อนที่คริสจะเป็นลมพับไปคุณพาเราเดินอย่างอาหักหารที่สุดคุณยอมรับไหมในข้อนี้แซนลี่เอ่ยขึ้นจอมพรานยิ้มจืดจืดคงก้มหนากินอาหารกระป๋องอยู่เช่นนั้นเอาละผมยอมรับแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายนอกจากอยากจะเล่งทาเวลาเท่านั้น ลุยไฟกันเกือบตายขนาดตัวเองก็เสื้อแสงถูกไฟกินก็ไปครึ่งตัวยังตะลุยปีนตัดเขาชันอีกถ้ามองกันในแง่ร้ายก็เหมือนกับว่ามันจะแกล้งค่าพวกเรางั้นแหละเบลต่อว่ามาอีกคนต่อไปถ้าคนใดคนหนึ่งเห็นว่าจะไม่ไหวก็มีสิทธิ์บอกผมได้เท่าที่แล้วมาผมเห็นแต่ละคนก็ทรหดเข้มแข็งกันทั้งนั้นในการเดินทางที่แล้วมา ก็เป็นการอุ่นเครื่องเพราะให้กำลังตัวอยู่แล้วมันจะไปเทียบกันได้ยังไงระหว่างอาชีพกับสมัครเล่นหรือจำใจเพราะต้องมาตามหน้าที่ตลอดทั้งชีวิตคุ้นอยู่ในป่าแต่ส่วนมากของชีวิตพวกเราอยู่ในเมืองหมอเบลบน่นเชิดวุฒหัวเลาะหันไปมองหน้าแม่ผมแดงคู่ขาของใครก็ได้ในคณะถ้าหล่นพอใจเบลพูดคราวนี้ มันฟังดูเป็นตรงกันข้ามกับสมัยที่พูดที่บ้านพักหนองน้ําแห้งของพรานใหญ่นะตอนนั้นพวกคุณทุกคนล้วนแต่เก่งกล้าสามารถในการประจนภัยทั้งสิ้นต้องเจอของจริงเสก่อนที่จะรู้สึกใช่ไหมถ้าหุบ ป, ปากของคุณเสียได้จะเป็นการดีมากกระพินก็ยังไม่ว่าอะไรในเรื่องนี้กับพวกเราสักคำในทหารหนุ่มหัวเราะแล้วนิ่งไปเขาไม่ต้องการจะทําให้เบลโกรดหรือมีอารมณ์หงุดหงิดกับเขายิงอยู่คริสตินานั้นเป็นที่หมายปองสุดยอดของเขา แต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเหมือนฝันเท่านั้นจะไปคิดหวังพึ่งอะไรได้อีกโอกาสเช่นนั้นจะมีอีกหรือไม่ก็ยังไม่อาจบอกได้แต่สำหรับเบลนั้นของตายในฐานะแพทย์ประจำคณะแน่นอนในข้อที่ว่าไม่ช้าก็เร็วในเส้นทางเดินอนาคตเขาต้องพึ่งหล่อนแน่เอาวะเราหุบปากได้แต่อย่าลืมเปิดขาให้มั่งกันแล้วกัน ประโยคนี้เขาพึมพำเบาๆเบลฟังไม่ถนัดและไม่สนใจหันไปทางราพินอีกครั้งพูดเป็นงานเป็นการเห็นจะต้องขอร้องอะไรคุณสักอย่างสําหรับคืนนี้ไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามไม่มีปัญหาเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมก็พร้อมจะปฏิบัติภายใต้ขอบเขตในหน้าที่ของผมพวกเราทุกคนยอมรับว่าเหนื่อยและพรรยหนักสําหรับวันนี้ตั้งแต่ขึ้นมาพักกันตรงนี้ พวกเราก็ยังไม่มีใครได้นอนพักเลยส่วนคุณเวยอากาศหลับไปบ้างแล้วครับแล้วยังไงประเดี๋ยวเราจะขอพักบ้างละไม่ว่าอาจารย์คีดเชิดวุฒซึ่งเชื่อว่าคงหลับก่อนใครรวมทั้งตัวฉันด้วยครับหน้าที่ระวังเวณยามดูแลความปลอดภยัยเป็นของฝ่ายผมเองหมอเบลซันชิษะแค่นั้นยังไม่พอหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตอนพักนอนน่ะ มันเป็นฝ่ายของคุณอยู่แล้วแต่คุณมีหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือคอยนอนประกบชิดตัวคริสไว้และถ้าเป็นไปได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสังเกตอาการของเขาด้วยตรวจชีพจรวัดปรลอดหาอาการไข้วัดบารเลชเชอร์ถ้ามันผิดสังเกตยังไงให้ปลุกฉันทันทีคุณทำได้ไหมผมไม่ได้เรียนในทางบุรุษพยาบาลมาก่อนเลยเกรงจะใช้เครื่องมือแพทย์ของคุณไม่เป็น ประเดี๋ยวจะสอนให้มันไม่ยากอะไรหรอกความจริงหน้าที่นี้เชิดวุฒิรับภาษาเต็มที่แต่ฉันไม่ไว้ใจเขาหรอกถ้าเอ็นหลังลงในนั่นก็คงหลับครอกนั่นก็นั่งอ้าปากหาววอดวอดอยู่แล้วอาจารย์เองก็คงไม่ไหวเพราะสะบักสะบอมเต็มเหยียดเช่นกันอายุก็มากแล้วส่วนคิดดื่มจัดมาตั้งแต่ตอนเย็นและทุกครั้งที่เขาดื่มจนได้ที่ช้างเดินเข้ามาเหยียบเขายังไม่มีวันรู้ตัวคืนนี้ อิสเบลดูเหมือนจะกลายเป็นผู้บงการทั้งหมดโดยด็ตอร์แตนลีก็นั่งฟังอยู่เฉยๆดวงตาทั้งคู่ของหัวหน้าคณะเห็นชัดว่าลีเปรอร์แทบจะลืมไม่ขึ้นถ้าจะมีกระชับกระเถงแข็งแรงก็เห็นจะเป็นหมอเบลคนเดียวเท่านั้นในคณะนายจ้างทั้งหมดตกลงเดี๋ยวคุณสอนให้ผมก็แล้วกันเขาตอบง่ายๆอิสเบลพยักหน้าและลุกขึ้นจากวงเดินมาที่ล่างของคริสติน่าที่นอนสนิทนิ่งอยู่ พินตามเข้ามาด้วยซุดตัวลงข้างๆพอหล่อนหันไปคว้าเครื่องวัดความดันกับปลอดวัดไข่เขาก็โบกมือเอาละไม่ต้องสาธิตอธิบายอะไรหรอกผมคิดว่าพอจะเข้าใจวิธีอยู่บ้างเป็นอันว่าผมรับหน้าที่นี้ก็แล้วกันเปลวยกมือเท้าเอวโครงหัวช้าๆจะวัดซื่อนักก็ไม่เชิงจะวัดคดก็ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆก็คือมีเหลี่ยมมีลูกไม้พอสมควรทีเดียวแหละคุณ น, นี่ ทำไมคุณจะไม่เป็นในเรื่องง่ายๆแค่นี้ในเมื่อแฟนของคุณก็เป็นหมออยู่แล้วที่ฉันขอร้องนะไม่ใช่อะไรหรอกคุณเป็นคนนอนไวและพักผ่อนมาบ้างแล้วไม่ต้องเฝ้าดูคลิตตลอดคืนหรอกเพียงแค่เธอรู้สึกตัวก็สังเกตเขาบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเห็นไหมดินฟีปากเขียวซี่แตกเป็นสะเก็ดหน้าขาวยังกระสอบคุณไม่สงสารเขาบ้างเหรอจับตัวดูสีร้อนยังกระไฟฉันรู้ ว่าคุณอยากจะเข้าใกล้คริสโดยไม่ก็คุณไม่อยากจะเข้าใกล้คริสโดยไม่จำเป็นเลิมฟิ ป, ป่าของหล่อนยิ้มยันขณะที่จ้องหน้าไม่ใช่เพราะเกลียดชังขยะขย้งหรอกแต่คุณกลัวจะผิดสัจจะที่ให้ไว้กับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะเขานิ่งยกมือขึ้นขีบสันจมูกหลับตาลงเสียงเบลก่าวต่อมาแผ่วเบาว่าฉันขอให้คุณเห็นแกมนุษ ย, ยธรรมบ้าง คนป่าสักคนเป็นอะไรลงไปคุณยังวุ่นวายเจ้ากีเจการรักษาพยาบาลได้สารพัดตัวเองทำไม่ได้ก็หาทางบีบบังคับให้พวกเราต้องช่วยแต่นี่ผู้หญิงคนนี้พวกเดียวกับเราแท้ๆจะต้องให้ฉันพูดไหมว่าวันที่คุณถูกไอ้ผีดิบนั้นล่อไปตกเหวใครเป็นคนไต่เชือกลงไปกู้ชีวิตคุณขึ้นมาและใครเป็นคนดูแลรักษาพยาบาลคุณตลอดทั้งคืนบนหน้าผาตะเคียนทองเดี๋ยวนี้ ผู้หญิงคนนั้นมาตกอยู่ในสภาพนี้เข้าบ้างแล้วใจคุณจะหินสักขนาดไหนประพินภพยวันสะบัดหน้าสองสาครั้งเบลดาเขายัางเจ็บแสบที่สุดซึ่งเขาไม่มีทางจะปฏิเสธหรือโต้ตอบได้เลยผมรักน้ำใจพวกคุณที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวและมีความรักความจริงใจให้แก่พักพวกอย่างแท้จริงทงั้งทั้งที่ดูผัดผาดแล้วคุณน่าจะเกลียดคริสมาก เพราะเขาเป็นคนน่ากลัวสาหรับคุณเคยทำร้ายคุณด้วยเวลาเขาไม่พอใจขึ้นมาเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องนอกประเด็นที่จะเอามาคิดในเวลาเช่นนี้ไม่ได้และวันนี้ฉันเองก็รุนแรงกับเขามากฉันต่อยเขาจนสลบในขณะที่พวกผู้ชายจับเขาไว้ผมพอทราบแล้วทำไมคุณต้องรุนแรงกับคริสถึงเพียงนั้นก็เ ข, เขาเกิดบ้าคลุ้มคลั่งที่จะวิ่งเข้าไปในทะเลไฟ ว่าจะค้นหาตัวคุณนะสิในขณะที่คุณไปนั่งกระดิกเทา้าสบายใจเชิดอยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วพวกผู้ชายไม่กล้าทําอะไรได้แต่ล็อกตัวเขาไว้ฉันเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยุดเขาไว้ได้กยกปั้นยังดีกว่าที่จะปล่อยเขาให้เขาไปถูกไฟเผาทั้งเป็นเพราะจิตใต้สํานึกที่เป็นห่วงคุณรู้ไว้เสียด้วยบางขณะคริสก็เป็นคนไร้เหตุผลเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนเก็บซ่อนนําอะไรต่ออะไรไว้ในใจมันระเบิดออกมาเมื่อไหร่พวกเราถึงได้รู้กัน รพินถอนใจเยือกอิตซาเบลความจริงคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกมากคุณเป็นคนรักเพื่อนและไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยหลอนเอื้อมมือมาจิ้มที่อกเขาแต่คุณนั่นแหละเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นฉันหมายถึงเรื่องความเวทนาที่จะให้แกผู้หญิงสักคนคุณรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วไม่มีใครเถียง แต่คุณก็ไม่มีจิตใจที่จะสงสารผู้หญิงคนไหนแม้แต่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่ผู้หญิงคนนั้นก็ดีกับคุณที่สุดเอาแค่สงสารเท่านั้น No never ประโยคหลังหล่อนยื่นหน้าเสแยะปากเน้นถ้อยคำกระแทกใส่หน้าเขาผมเป็นเช่นนั้นหรือืออถ้าจะจริงแต่ผมก็ภูมิใจลมหลุมแรงๆของผม ที่จะเป็นคนเห็นกับตัวในแง่ที่คุณบริภาสนั่นได้เพราะว่าความเวทนาสงสารมันจะเป็นพื้นฐานบ่อเกิดแห่งความอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างซึ่งผมไม่ปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นแยกให้ออกซิระหว่างความรักกับความเห็นใจมันไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปด้วยกันหรอกหน้าคุณก่อนนี้ที่พบครั้งแรกมันก็ลอแล้วคมคายอยู่หรอก แต่ทุกวันนี้เหมือนอะไรรู้ไหมเบลชี้มือไปยังก้อนหินที่แวดล้อมอยู่โน่นหินโดยมีฉะนั้นกไอ้ศพตายซากมัมมี่หมื่นปีที่พวกเราเผชิญมานั่นแหละประพินไพยวันเงียบกริบยกมือขึ้นลูกใบหน้าเคยได้ยินประโยคนี้บ้างไหมในความเงียบโดยมีร่างของคริสนอนขั้นกลางอยู่เบลแผ่วเสียงลงอะไร จงรักนางผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดสูในขณะนี้เถิดเพราะนางผู้อยู่ห่างไกลจากตาสูไปย่อมจะหลอกลวงสงูผมไม่ยึดถือสุภา ษ, ษิตนั้นหรอกแต่ถือสุภา ษ, ษิตว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องรักแท้นั้นต่อให้ห่างไกลกันขนาดไหน ใจย่อมถึงกันเสมอแม้จะตายจากกันแล้วก็ตามจะไม่มีวันทรรยตขบลดรักนอกจากรักเทียมเท่านั้นทางนั้นก็ตามใจคุณเราจะไม่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้อีกคุณฉลาดได้ทุกเรื่องแต่งงูงั่งอยู่เรื่องเดียวฉันจะไปนอนละกล่าวจบเบลขยับจะลุกขึ้นไปง่ายๆประพินคว้าข้อมือไว้เดี๋ยวคุณลืมแล้วหรือไหนว่า คุณจะปลุกคริสขึ้นมาแล้วให้ทานอาหารน อ, อนอ่อนก่อนจะให้ยาคุณปล่อยให้นอนทมอยู่อย่างนี้อาการคงไม่ดีขึ้นหรอกรั น, นทําท่านึกขึ้นมาได้เอื้อมมือมาแตะที่ไหล่เพื่อนสาวเขเยับเบาๆแล้วก้มลงปลุกอยู่นานพอสมควรเปลือกตาของคริสจึงค่อยๆเพเยอขึ้นอย่างสลืมสลือคริสเธอไม่สบายกินซุปร้อนๆเสียหน่อยนะและจะได้กินยาดวงตาของแม่ผมทองเห็นชัดว่าหนักอึ้ง ลืมแทบไม่ขึ้นแต่กระนั้นหลอนก็ปฏิบัติตัวเป็นคนว่าง่ายที่สุดพ อ, อฟังได้ชัดว่าเบลพูดอย่างไรก็พยายามจะทรงกายขึ้นนั่งยังยากเย็นประพินประคองหลังไว้ขณะนั้นเองเชิร์วุ์ก็เดินปราดเข้ามาทันทีแต่ก็ต้องกระโดดกลับไปโดยเร็วเมื่อเบลสั่งให้ไปอุ่นซุปกระป๋องผมคิดว่าให้กรูกโคซื้อน้ำเกลือจะไม่ดีกว่าหรือหมอถ้าทางคริสจะไม่มีแรงและคงไม่ต้องการอาหารใดๆทั้งสิ้น ขืนกินอะไรเข้าไปแล้วอาเจียนมันจะยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวทดลองดูก่อนถ้าเขากินไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้เลยเห็นจะต้องกลูกโคสซื้อน้าเกลือนั่นแหละไม่อยากให้โดยไม่จําเป็นประเดี๋ยวอาจารย์จะตกใจเชื่อผมเถอะไอ้วิธีสะดวกที่สุดและได้ผลที่สุดดีกว่าคนไม่สบายและอยากจะนอนขนาดนี้คุณจะปลุกขึ้นมาให้กินอาหารผมว่ามันคงไม่ถูกเรื่องหรอกอาหารทางเส้นเลือดจะช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุด ไหนว่าไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ยังไงล่ะหล่อนอดติงไม่ได้เอาเอาอย่างนั้นก็ได้พรุ่งนี้คุณจะได้บังคับถูลูดถูกกังให้เขาตายเขาต่อไปแต่ถ้าคริสหล่นลงมาตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบเองเราจะดูอาการของเขาอีกครั้งถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็ต้องให้พักต่อ พร้อมกับบอกประพินประคองคริสซึ่งพูดอะไรยังไม่สู้รู้เรื่องนะักเพราะความง่วงเงีย้ยให้นอนลงตามเดิมกระซิบข้างหูจากกระพินเรียกคริสได้ยินตอบฉันได้ยินคุณคุณอยู่ที่ไหนนะ่ะเมื่อผมทองพึมพำต่ออย่างเลื่อนลอยเหมือนคนเคลิมฝันและตกอยู่ในห่วงพวังอยู่นี่ใกล้ๆคุณตรงนี้แหละแล้วฉันอยู่ที่ไหนอยู่พร้อมหน้ากับพวกเราทุกคน คุณไม่สบายนะรู้ตัวไหมฉันสบายหลับสบายดีไม่อยากตื่นอีกแล้วคุณต้องตื่นเมื่อแสงตะวันขึ้นเราจะเดินทางกันต่อไปเพื่อขึ้นไปเห็นสระอันสวยงามบนยอดเขามีสระโบกขอรลนีมีโหงดำโหงขาวลอยฟ้องและที่นั่นจะมีเทพผบุตรใจดีรอคอยคุณอยู่ด้วยลิมฝิ ป, ปากอันแห้งผากนั้นมีรอยยิ้มน้อย ดีจังฉันอยากเห็นฉันจะตื่นเมื่อแสงตะวันขึ้นหิวไหมไม่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้รับน้ําเกลือเข้าใจไหมมิฉะนั้นคุณอาจไม่ตื่นอีกแล้วก็ได้ก็ดีสิหลับนิลันปัจจุสมัยไม่มีอีกแล้วคิดมานานแสนนานว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี้จึงจะไม่มีสําหรับฉันเบลเตรียมน้าเกลือเสร็จเรียบร้อยในขณะที่เขาหลอกเขาหลอกพูดอยู่ริมหู ในภาวะเคลิมนั้นประพินยพยักหน้าเบลก็แทงเข็มเข้าเส้นเลือดที่แขนทันทีหล่อนอาจผสมอะไรต่ออะไรเข้าไปบ้างเพื่อให้คนป่วยฟื้นตัวคืนตัวเร็วและมีกำลังโดยเร็วที่สุดเบสไม่มีความรู้สึกเลยในขณะที่เข็มแทงเข้าเส้นเลือดเชิดวุดประคองกระป๋องซุกมาพร้อมกับสแตนลีย์และคีธซึ่งพากันมามุงดูอยู่แต่เบลอนิวแต่ริมฝีปาก เชิญให้ทุกคนเงียบสงบและทําบุยบายให้เชิร์วุธนำกระป๋องซุปออกไปก่อนคีทกับสแตนลีย์พอเห็นสภาพนั้นเขาก็ตกใจอย่าห่วงครอาจารย์คีท ด, ด้วยไม่มีอะไรมากหรอกนี่จะเป็นวิธีเดียวที่จะเรียกพระรากำลังของคริสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดขณะนี้เขากำลังสลึมสลือไม่ค่อยจะได้สตินักหรอกอันเดอร์ซับคอนเชียสดพินกาลังหลอกพูดซักถามอะไร ถ้ายังหลอกอยู่แบบนี้ประเดี๋ยวมีอะไรในใจเขาบอกออกมาหมดขณะพูดหล่อนชำเลืองค้อนไปทางพรานใหญ่ส่วนเชิดวุช้ชี้มาชี้ใบมาทางกระป๋องซุปที่อุ่นด้วยแอลกอฮอลส่งควันกลุ่นแล้พินตีใบให้นายทหารหนุ่มจัดการกินจะเองหรือมิเช่นนั้นก็ให้วางอยู่ตรงนั้นแหละเอาอยัางไงกันนี่คืนนี้เห็นแล้วไม่สบายใจเลยแฮะหัวหน้าคณะเกิี เป็นหน้าที่ของระพินบ้างแล้วคะ่ะที่จะต้องคอยดูคริสคืนนี้ตอบแทนให้แก่ครั้งหนึ่งที่คริสเคยอดหลับอดนอนเฝ้าเข้ามาแล้วเอ้าคริสเอาถุงน้ำเกลือนี่แขวนเข้าที่รากไม้ที่ห้อยลงมานั่นหน่อยสิระวังให้มั่นคงอย่าให้มันหล่นลงมาเสียละหมอเบลสั่งทุกคนปฏิบัติการช่วยเหลือในทันทีเท่าที่จะช่วยกันได้ป็ดปลาสเตอร์ทับเข็มที่ปักเข้ากับเส้นเลือดเรียบร้อย เบลก็บอกกับหัวหน้าคณะคีดและเชิร์ดูดให้ถอยออกมาเอาละสําหรับพวกเราพักผ่อนกันได้แล้วหน้าที่ดูแ ล, แลคนป่วยกับเวนยามเป็นของพรานใหญ่กับคนของเขาฉันเองแทบจะยืนไม่ติดอยู่แล้วแล้วหลนก็บอกกับละพินเชิงกําชับว่าดูแลให้ดีนะอย่าให้เข็มหลุดประมาณตีหนึ่งก็คงจะหมดเพราะให้แค่ห้าร้อยซีซีเท่านั้นคุณจะนอนก็ได้แต่อย่างที่บอกแล้วขอให้นอนไวหน่อยเท่านั้น ไปไปขนเครื่องนอนสับปลังเกของคุณมาที่นี่เป็นสภาพบุรุษมาแล้วก็ขอให้เป็นให้ตลอดด้วยพรานใหญ่ปฏิบัติตามโดยดีลุกขึ้นปากคุณจัดอร่อยเหาะดีเหลือเกินนะตลอดทั้งวันและคืนนี้หมอเบลก็พูดแต่ในเรื่องไร้สาระที่ดูว่าเง่างี่มานานแล้วเนี่ยขอพูดให้มันแทงใจดำคนเสมั่งซี่จะได้รู้จักไวคุณเห็นฉันเป็นยังไงวัตถุแห่งความใคร่ประการเดียวเท่านั้นล่ะ ประพินก้มศีรษะคำนับให้ไม่ต่อรลาต่อเทียงอะไรอีกเดินไปยังบริเวณที่เคยอาศัยยืดนอนของเขาทันทีเตรียมขนเคลื่อนย้ายของมาฝ่ายนายจ้างด้วยความอ่อนเพรียสุดขีดต่างลงนอนกันแล้วเชิร์วูดนั้นมีอาการผดลุกผุดนั่งเชเง้อมองข้ามตัวสตนลีย์และเบลไปยังคริสติน่ายังห่วงกังวลแต่คงจะมีการพูดจาหรือําชับสั่งอะไรไว้จากหมอเบล เขาจึงยอมเอ็นกายลงนอนที่เก่าไม่ได้เคลื่อนย้ายมานอนอยู่ทางด้านแม่ผมทองซึ่งบัดนี้สงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมรพินเดินมาบิดกายอย่างเมื่อยขบยืนมองฝ่าความมืดไปรอบด้านเหมือนจะเข้ายานอะไรเหตุการณ์ในลาตรีนี้เหมือนจะเข้ายานอ่านเหตุการณ์ในลาตรีนี้ว่ามันจะมีสัญญาณร้ายใดๆบ้างหรือไม่เสียงคุยกันซุบซิบ ถ้าจะแววมาบางก็เพียงจะ ก, กลุ่มของพวกลูกหาบที่จับ ก, กลุ่มนอนกันเป็นหย่อมๆแวดล้อมคณะของนายจ้างโดยแยกออกเป็นสามจุดดักไว้หมดทั้งสามทิศโดยไม่จำเป็นจะต้องกำหนดที่หมายหรือบอกเตือนกันเลยเพราะพวกนี้ชำนาญการรู้ดีอยู่แล้วเกิดเซยจันและบุญคำสมุนคู่ใจทั้งสี่ของเขาทำหน้าที่ชนิดนี้แทนเขาได้เป็นอย่างดีที่สุด แล้วก็รู้สึกได้ว่ามีใครคนหนึ่งย่องเข้ามายืนอยู่เบื้องหลังเขาแม้จะไม่ต้องหันมามองสัญชาตญาณเคยชินก็สามารถบอกได้ทันทีเพราะชินกันมานานมีอะไรหรือบุญคําก็ถานขึ้นถามขึ้นเบาๆเปลวเห็นนายยืนเหงาๆอยู่คนเดียวก็เลยมาดูว่านายจะกระโดดเข่าตายเมื่อไหร่จะได้คอยชุดขาวไว้ก่อนอดทะลึ่งไม่ได้นะเราไปนอนชัทีไปและบอกให้ทุกคนหลับให้สบายที่สุด บนนี้และคืนนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกบุญคำยังไม่ง่วงหรอกตอนที่นายแอบงีบเมื่อตอนบ่ายนะ่ะบุญคำก็แอบไปนอนหลับเหมือนกันแม่มคริสเป็นไงมั่งล่ะนายเห็นต้องเติมน้ำมันต่อสายเข้าเส้นเลือดเมื่อนายกับไอ้เอิงในคราวนั้นไม่มีผิดแล้วก็มวัวแ ต, ต่ฟุตฟิตฟอร์ไฟตตกกระไดขาหักกันทั้งกลุ่มไอคาฟังออกมั่งไม่ออกมั่งแต่ไม่ออกเสมากกว่า ระพินหันกลับมาในเงาสลัวเขาเห็นตะพานเท่าสมุนขวาหย่อนตัวลงนั่งยองๆกับพื้นกำลังจุดบุหรี่ใบตองแห้งของแกอยู่จึงสุดตัวลงนั่งที่แง่หินด้วยโยนซิปโป้ไปให้แกเมื่อเห็นว่าแกพยายามจะขีดไม่ขีดไฟอยู่สองสาครั้งแต่ไม่ติดสักทีแต่เท่าช่วยไปจุดไอที่ฟังไม่ออกก็รู้ละแต่ไอที่ฟังออกฉันยังไม่รู้เลยนลองบอกสิอะไรมั่งที่บุญคาฟังออก ไอก็แปลว่ากูยู you, ก็คงแปลว่ามึงเยแปลว่าเออเซอร์ Sir. ความจริงมันควรจะแปลว่างูแต่ไงนายถึงบอกว่าถ้าจะรับคากับนายห้างบ๊อบแล้วก็ให้ใช้ว่าเซอร์ Sir. ทุกทีบุญคำไม่เข้าใจทำไมนายห้างบอ๊อบแกเซอร์นักเละจะ ก, กลุ่มแสนกลุ่มเพียงไรแ ล, ละวพินก็ยังพอผ่อนคอนลายอารมณ์ไปได้บ้าง เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยอะไรกับมือขวาจอมแก่นกระโหลกของเขาอดหั ว, วเราออกมาเบาๆไม่ได้โครงหัวช้าๆฉันกำลังอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยนะบุญคำจุดบุหรีเ่เสร็จก็ไปนอนจเจ๊เถอะปะขืนอยู่ช้าจะถูกโป๊กซึ่งแปลว่ามังเอกที่เคกบาลเสียงดังโป๊กเข้าใจโนบุญคำทำคอพองเสียงเห้าๆเหมือนฝรัง่งพูดสันหัวงูกงิก โป๊กของนายนะ่ะมันภ า, าษาไทยถ้าภาษาฝรั่งพวกนั้นบุญคำได้ยินในคิดกับนายเชิดวุธแอบดูบรนท้าทยของหมอเบลแล้วพูดคำนี้บ่อยๆอะไรนะตลกโลนประจำป่าทำเป็นเกาหัวนึกอ้ออ้อในคิดแกพูดกับนายเชิดวุธว่าวิ you p o โป๊กเ t o n i น h t นายทหารจะตอบว่ายังไงบุญคำจำไม่ได้ใช่แล้วพอได้ช่องหมะบุญคาก็ถามนายทหารว่า ไอ้เจ้าคิดนั่นมันว่าอะไรนายทหารหัวลอกคิกๆบอกว่าไอ้หัวเกรียนมันถามแกว่าคืนนี้แกจะโป๊กแม่มเบลไหมเพราะฉะนั้นโปก๊กฟารลังมันคงไม่หมายถึงการเขกบาลอย่างนายว่าแน่ๆรอพินขมวดคิ้วนิดหนึ่งแล้วเพิ่งจะนึกถึงแสดงสปปรรพดลขึ้นมาได้ซ่อนยิ้มถามแกว่าอา้าวแล้งั้นแกปแปลว่าอะไรล่ะ บุญคำยิงฟันหัวล่อฮิฮิและทำมือขยุกขยิกเป็นความหมายให้ดูระพินเอื้อมมือเอื้อมไปสับมสับมงเงกแต่ไม่ถูกเพระตตะเท่าจอมสับประดโดกรู้ทันเบนหัวหลบซะก่อนภาษาอย่างนี้บุญคำจับสำเนียงเรียนได้เร็วมากนะแต่ที่เขาพูดกันอย่างอื่นเราก็ฟังไม่รู้เรื่องโท่กาของมันชอบอยู่แล้วนี่นายนายทหารสอนอะไรนภาษาพันยังว่าให้อาคำหลายคำ แต่ห้ามไม่ให้พูดให้แม่มสองคนนั่นได้ยินแกบอกว่าลูกแฝงพูดได้แต่ลูกฟักอย่าไปพูดกับแม่มแล้วก็ห้ามไม่ให้บุญคำถามแม่มว่าจะเอาพริกมั่งไหมบุญคำถามว่าแม่มกินพริกไหมไม่ได้กระมังแกก็บอกว่าแม่มสองคนกินพริกพอจะได้บ้างหรอกแต่พริกของบุญคำมันคงดอกเล็กๆเหี่ยวๆแม่มคงไม่ชอบ เอะเอ็นนายอย่าเล่นด้วยพระบาพระบาท่าสิวาเลแกะกะยกมือขึ้นกาดมวยเตรียมปิดป้องมรพินยกเท้าล่าขึ้นทําท่าจะดีดออกมาจอมพรานจุปากเบาๆแม่อิตานีพระพาสิหัดภาษาฝารังระดับใต้เสดอแบบนี้ไปให้ดีเถอะอีกหน่อยมนตราาคมที่ล่ำเรียนมาเสื่อมหมด ไอเรื่องพันนี้เรียนได้เร็วจริงๆแต่คำนี่แล้วก็ระวังถูกแม่มคนใดคนหนึ่งตบให้สักวันแล้วถูกไอยักษ์คีดนั่นบีบคอเอาอีกฉันจะไม่ช่วยเลยไอนายคีดนั่นเหรอที่โท่บุญคำเล่นกลเกลินลูกเอ็มกให้ดูหน้าตาเฉยมันทำตาเหลือกแล้วไม่กลา้ามายุ่งอะไรก็บุญคำอีกหรอกนายยังไม่ได้บอกบุญคาเลยวะ่ะแม่มคริสก็เป็นยังไงมั่งนะดูท่าทางจะไม่สบายมากไม่ใช่เหรอ ถึงกับต้องเติมน้ำมันเข้าเส้นเลือดแบบนั้นจะพินถอนใจนิดหนึ่งดีดก้นบุหรี่กระเด็นไปกระทบหินห่างออกไปแตกเป็นลูกไฟกระจายฮืออาการของเขาไม่ค่อยจะดีนะักแต่เติมน้ำมันแบบนั้นแล้วพรุ่งนี้คงแข็งแรงดีเหมือนเดิมแม่มคริสเป็นคนทรหดแข็งแรงอยู่แล้วเชื่อว่าคงหายเร็วมุนคําหันไปมองทางกลุ่มของคณะนายจ้างแล้วนั่นพวกนั้นเขากันแก้ไว้ให้นอนริมสุดเลยเหรอ ทำไมเขาไม่เอาไว้ตรงกลางเวลานอนบุญคำเป็นคนช่างสังเกตและช่างซักไซยู่ไ ม, ไม่ใช่น้อยตามสัญดานที่เขารู้ดีอยู่แล้วจะปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยต้องบอกตรงๆพวกนั้นเขาเพลียกันหมดนั่นแหละคงหลับเป็นตายหมอเบียรเขาเลยสั่งฉันไว้ให้คอยอยู่ใกล้ๆแมมคริสคอยดูแลอาการแทนเขาคืนนี้ฉันเห็นจะต้องย้ายที่นอนไปนอนกันแมมคริสไว้ทางด้านโ น, น้นอ้าว แล้วนายเป็นหมอเล้วถึงจะดูแลอาการของแหม่มคริสได้วะอิตานี่มากซะจริงฉันรักษาพยาบาลเขาไม่ได้หรอกแต่หมอเบลก็ให้ช่วยคอยดูเห็นถ้าไม่ดียังไงก็ให้ปลุกหมอขึ้นมาแกยักคอเงกอย่างเพิ่งเข้าใจพูดถึงแหม่มคริสแล้ววันนี้บุญคําเห็นแล้วก็น่าสงสารดีแล้วที่นายช่วยดูแลแกมั่งเพราะตอนที่นายเจ็บตอนตกเหวนั่นนะถ้าไม่ได้แหม่มคริสนายก็แย่เหมือนกัน นาจะไตเหวลงไปเอาตัวนายขึ้นมาไหนจะรักษาพยาบาลนายตลอดทั้งคืนบนหน้าผาตะเคียนทองนั่นนายช่วยแกมั่งก็ดีเหมือนกันทีเข้าทีเราบุญคําจับยามสามตาดูแลผู้หญิงคนที่จะไม่มีภัยอะไรสําหรับนายหรอกและถ้าภัยมาถึงนายเมื่อไหร่แกก็คงจะช่วยนายเต็มที่เลยเท่าที่สังเกตดูสําคัญว่านายอย่าโป๊กเอาแกเข้าเท่านั้นผืนโป๊กนายอาจหลน่นโปะลงไปในเหว ลึอพระตกคอหักตายเมื่อไหร่ก็ได้ว่าแล้วแกก็ยานค้างดัจริดร้องเพลงเก่าๆตอนหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับล่อยหน้าลอยตาวะสัญญาสัญญาสัญญาจะรักน้องแนบอุลาลักเดียวความรัมกมันแปรสักนิดแม่หิตเดียวหิตเดียวหิตเดียวหิตเดียว ยิ่งใดไม่ปองข้องเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ข้องเลยระพินยิ้มมองแกด้วยประกายตาแจ่มใสเป็นครั้งแรกบุญคําตั้งท่าลบบาทาอีกแต่เขาไม่ได้แสดงความฉุนเฉียวใดๆทั้งสิ้นไม่เลวลองเพราะแต่เพลงยิเกยอย่างเดียวเมื่อไหลบุญคําทําให้ฉันมีความสุขและความหวังไดเป็นครั้งแรกสาหรับวันอันแสนจะหนักวันนี้ แกเอื้อมือมาบีบหน้าแข้งเขาไว้นายมีความสุขมีความหวังไอ้คำก็พลอยสุขพลอยหวังไปด้วยก็เราเบานายกันอยู่สองคนเท่านี้แหละที่รู้ใจกันคําพูดของบุญคําแม้จะดูว่าไม่มีความหมายอะไรนะักแต่มันก็ซึมลึกเข้าไปในดวงจิตของเขาจริงสินะยามนี้จะมีใครที่จะมาหยัง่งซึ่งความรู้สึกจิตใจของเขาดีเท่าบุญคาผู้เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ชีพ จัน์เกิดและเสยนั้นจริงอยู่ตายแทนเขาได้เสมอแต่ทั้งสามก็ยังไม่มีความรู้ซึ่งเข้าถึงจิตใจเขาได้ดีเท่ากับตะเท่าบุญคำซึ่งฉลาดกว่ามากว่าจะไม่อยากพูดคุยอะไรกับแกแล้วแต่ก็อดไม่ได้ระบุญคำคลาเส้นถูกอารมณ์ของระพินบัตินีลาบลื่นแล้วไหนลองเล่าให้ฟังมั่งซิระหว่างที่พวกนั้นรอคอยอยู่บนเชิงเขา โดยไฟไหม้ลุกอยูล่ละทุ่งแฝกไม่มีใครมองเห็นฉันนะ่ะเกิดอะไรขึ้นมั่งโอ้ยตอนนั้นน่ากลัวมากนายขนาดบุญคําเองอยังคิดว่านายมีโอกาสรอดแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นตอนนั้นในคิดกับในห้างบ๊อบเอาเครื่องดับไฟใส่ชุดเหมือนพวกประดาน้ํานั้นและตะบุกตะลุยเข้าไปช่วยพวกเราออกมาช่วยได้แค่พวกของบุญคําเท่านั้นไม่พบนายน้ำยาดับไฟก็หมดแม่มคริสกับแม่มเบลเพนเออกมาได้ก่อนแม่มคริสดุยิ่งกว่าเสืออีกตอนนั้น ไม่ยอมฟังเสียงอะไรทั้งนั้นไล่พวกบุญคําก็ลูกหาให้ถอยหนีไฟขึ้นมาบนเนินเขาบุญคํำพาว้าพะวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเป็นห่วงนายอยู่ไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมเดินแม่มคริสตวาดล่านให้ถอยหนีใครเดินไม่ทันใจแกแกทั้งผลักทั้งเตะทั้งถีบหัวสุขวัวสุนไปตามๆกันบุญคํำยังคิดในใจเลยว่าอีหานี่มันร้ายจริงยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกดูท่าทางแกจะไม่ห่วงนายเลยตอนนั้นนับจํานวนดูพวกเราครบ พอตอนเห็นหนีไฟขึ้นมายังก็ต้อนมัวต้อนควายพวกบุญคําก็เลยต้องวิ่งแจนเขินอยู่ช้ากลัวแม่ยิงก้นทะลุนายไม่เห็นตอนนั้นแมมคริสน่ากลัวที่สุดบุญคําไม่เชื่อตาเลยขนาดแมมเบลเดินช้าหน่อยเดียวไม่ยังถีบเส้อหลังแอนโอ้โหลายนี้บทจะไายขึ้นมาน่าดูแท้แลพินเลิกคิวมีสีหน้าชะโงด น, น, นิดๆอย่างยิ้มยิ้มอยู่ถึงงั้นเชียวเรอแล้วยังไงต่อไป พอเราขึ้นมาอยู่บนเนินเขาค้นไอไฟมาได้หน่อยนทหารเชิดวุฒิโลกับพวกฝรั่งเป็นการใหญ่บุญคำฟังไม่ออกแต่พอเดาได้ว่าแกคงจะเข้าไปค้นหาในนั่นแหละแต่แหม่มคริสลังกระชากตัวไว้เลยต้องหยุดดูไฟกันที่นั่นและอยู่ไม่อยู่ต่อมาอีกพักใหญ่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนผีเข้าขงั้นแหละแหม่มคริสเองนั่นแหละร้องกรีดกรีดเรียกชื่อนาะยเอตตโลขึ้นมา แล้ววิ่งลงจากเนินเขาจะเข้าไปในทุ่งไฟข้างล่างเออมันกลับกันซะแล้วตอนนี้พวกผู้ชายก็ช่วยกันตะคุบตัวจับไว้มัน่นตอนนั้นบุญคําดนแม่มคิจจะไม่ได้สติไม่ก็บ้าไปชั่วขณะพวกผู้ชายตัวโ ต, วตวๆนายทหารงี้ในคีองนี้ในห้างบ๊อบอยงนี้สามคนยังจับไว้แทบไม่อยู่แม่ดิ้นสะบัดอยู่พลาดพลาดก็อีตอนนั้นแมมเบลนมโตนั้นวิ่งเข้าไปข้างหน้าต่อยโครมเข้าไปที่ปลายคาง แมมคริสก็เลยล่วงลงไปนอนนิ่งนับสิบไม่ลุกช่วยกันพยาบาลกันอยู่พักใหญ่ดูเหมือนแมมเบลจะจับฉีดยาตอนที่ยังสลบอยู่นั่นด้วยผู้หญิงฟารัลังสองคนนี่มันมีอะไรแปลกๆนะนายคนบ้าขึ้นมาอีกคนหนึ่งสติดีคนหนึ่งแข็งแรงเด็ดขาดขึ้นมาอีกคนก่อแปรบุญคำเห็นแมมเบลผมแดงนั่นไม่เห็นดุร้ายอะไรสักนิด แต่อีตอนต่อยแม่มคริสคว่ำไปตอนนั้นยังกับ น, นักมวยแชมป์โลกเลยปัวเดียวม้อยก็ลอกตามปกติแล้วแม่มเบลกลัวแม่มคริสจะตายไปที่จะเดินย้ายแต่พกขาอ่อนเบียดกันเอียดเอียดแต่บทจะดุขึ้นมาบ้างก็น่าดูเหมือนกันเกินเชื่อเลยจอมพรานั่งเบิกตาฟังลูกน้องเขาเล่าอย่างชงวนชงวนเราคนแปลกใจเขาเพิ่งจะมาได้รายละเอียดในนี้เองจากคนของเขาเพราะเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกัน เสียงตะคำบอกต่อมาว่าอะไรอะไรมันค่อยดีค่อยดีขึ้นก็ตอนที่ทุกคนได้ยินเสียงวิทยุเรียกจากนายนั่นแหละแล้วบุญคำจันเกิดเสยคิดว่าฉันจะเอาตัวไม่รอดออกมาจากกองไฟนั่นเลยโถว่านายไม่ให้สัญญาณอะไรออกมาเลยวิทยุก็มีอยู่ก้าตัวจะบอกมาสักนิดก็ไม่ได้บอกกลงๆนึกว่าสุกเป็นหมูย่างไปแล้วเหมือนกันต่อให้เชื่อมือนายสักขนาดไหนก็ตา ม, มก็บอกแล้ว ว่ามันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ให้เสียงใดๆมาเลยเราไม่นึกว่าพวกนั้นจะเข้าใจว่าฉันหนีไฟไม่รอดโง่ขนาดไหนจะยอมให้ไฟคร อ, อกตายถ้าบุญคําฉลาดสักนิดช่วยพูดปลอบใจพวกนั้นไว้ว่าถึงอย่างไรเจ้าฉันก็จะต้องเอาตัวรอดออกมาได้เขาก็จะไม่ต้องเป็นห่วงกันถึงขนาดนั้น <c oughs> ก็บุญคําก็ไอ้พวกนั้นนึกว่านายเหลือ <c oughs> แต่กระดูกไปแล้วน่ะสิถึงได้นั่งหน้าแห้งกันอยู่ แกว่าดูดบุหรีใบตองแห้งฉุนกึกแดงอยู่วับๆันั่งเอามือกอดเขาและระหว่างที่เขายัางนั่งเอามือรูปเส้นผมอยู่แกก็เอ่ยเป็นงานเป็นการตองมาว่านี่นายบุญคําว่าจะหาหรืออะไรก็นายหน่อยก็ลืมไปแล้วเพราะมีเรื่องยุ <ๆ S 1> ่งยุ่งแทรกเข้ามาสารพัดอะไรนายพอนึ้อออกไหมที่ทุ่งแฝกก่อนที่เราจะจุดไฟเผาหญ้าเพื่อดักทางลไลควายป่าฝูงนั้นบ่ายหน้าแล้วไปทางอื่นไม่ให้วิ่งมาเหยียบเราเนะอะเออทาไมพวกมัน หากินอยู่หลังเนินเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งทางด้านขวามือของเราขณะที่เราบ่ายหน้ายังเนินเขาลูกนี้นายว่าทำไมไอท้ทรพีเขาง ง, งนับร้อยๆตัวพวกนั้นมันถึงเกิดการแตกตื่นแล่นกันป่าล่าบไปหมดประพิีเงยหน้าขึ้นทันทีเขาก็เพิ่งจะนึกออกเอาเดี๋ดยวนี้เองมันกันที่ลำดับภาพย้อนหลังไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มันคงจะต้องตกใจะอะไรสักอย่างไม่งั้นไม่ห่อกันมาอย่างนั้นหรอกแล้วนายว่ามันแตกตื่นอะไรล่ะ เขาขโมดชิวนิ่งคิดแล้วสั่นหน้าไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ออกแลือบุญคําว่ามันตื่นอะไรละ่ะตอนนี้เราย่างเขาเคสนระกดําแล้วนะนายก็ใช่น่ะสิแล้วยังไงบุญคําหัวรอเสียงแปรงอยู่ในลําคอพราะเราผ่านรกดํากันมาก่อนแล้วมันมีอะไรที่เราเดาหรือคิดไปไม่ถึงหลายๆอย่างมะหิงสาแตกตื่นอะไรนายลองเก็บเอาไปคิดกันแล้วกันบุญคาเองก็ยังคิดไม่ออ ก, ออกตอนนี้ แต่ก็คิดทุกตลอดเวลาไอสัตว์ดูร้ายรวมฝูงอยู่มากๆตัวแบบนี้มันเคยกลัวอะไรที่ไหนแต่นี่มันตกใจกลัวถึงได้เพ่นกันควบจะบึงไปทั้งฝูงเราพินเอานิ้วจี้ขมับทั้งสองข้างของตนเองพึมพำถ้าฉันจําไม่ผิดในห้างบอสเขก็คงถามฉันในขณะที่เราจุดไฟที่ทุ่งแฝดเป็นม่านกั้นไว้เพื่อไม่ให้มันวิ่งมาเหยียบเราเหมือนกันเขาถามว่ามันแตกตื่นอะไรตอนนั้นฉันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน จะว่าโดยอิทธิฤิ์อำนาจลุบ อ, อุบายของไอ้ผีดิบมันแต่ไหนที่จะหาเรื่องให้กองทัพควายเหยียบเราก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันบังคับได้แต่เฉพาะโผงช้างเท่านั้นเท่าที่เราเห็นเห็นกันมาแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่าไปคิดให้มันหนักสมองเลยบุญคำไปนอนเสียเถอะสมุนเท่ามือดีของเขาลุกขึ้นแต่แล้วก็ชะ ง, งักเมื่อรพินทักมาวะอ๋อเดี๋ยวก่อนเข้านอนคืนนี้เตรียมผ้าพลาสติกสําหรับกันฝนไว้ด้วยนะมันอาจจะตกกลางดึกก็ได้ฝน แต่เท่าร้องทำหน้าแปลกใจแล้วหัวละฝนที่ไหนกันนยป่าปเอาแห้งตลอดทั้งปีทั้งชาติแบบนี้ขนาดแหล่งน้ำเรายังหาไม่ได้เลยบุญคํรู้ว่าที่ไหนพยายามจะไต่ขึ้นมาทางปีกด้านซ้ายของเขานกแรงเรื่องนกอินทรีนี่นะนายต้องการจะไปหาน้ำบนนั้นน้ำของพวกเรามันล้อยลอลงไปเต็มทีแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่พบน้ำก็หมดเกลี้ยงแล้วบุญคารู้ทันอ่านความคิดของเขาได้กว่าครึ่งจากคาพูดของแก แม่จะไม่ถึงขนาดแง่ายในยุคก่อนนี้ก็ตามอาศัยที่ร่วมชีวิตกันมาในป่านานฉันก็มองไม่เห็นเขาเลยว่าฝนจะตกในคืนนี้แต่บางทีเราก็ต้องเชื่อพวกฝลังมันเหมือ น, อนกันพักพวกมันที่ควบคุมการเดินทางอยู่บนฟ้าเหนือหัวเราขนาดนี้วิทยุลงมาบอกพวกข้างล่างเมื่อตอนบ่ายนี้ว่าอาจมีฝนตกในคืนนี้ได้พวกนั้นมีเครื่องมืออ่านดินฟ้าอากาศได้แม่นตุย บุญคำไม่เชื่อมันหรอกถ้ามันมีเครื่องมือดีเนื้อกว่าเทวดาฟ้าดินป่านี้มันก็รู้แล้วว่าลือบินของพวกมันตกที่ไหนไม่ต้องมาจ้างพวกเราให้เดินหาแบบนี้หรอกพ น, นันกับบุญคำก็ได้ว่าไม่มีทางที่ฝนจะตกคืนนี้และเราต้องอดน้ําแน่ถ้าพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ปีนขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาตรงหัวปีกด้านซ้ายของไอ้เขาอีแรงนี่เอาเธอะถึงบุญคำจะเชื่ อ, อยังไงก็ทําตามที่ฉันบอกไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อฝนมันเทลงมาจะได้เตรียมกันทาน ไม่ต้องมาคลุกคลักอยู่ได้ตามใจนายแ่บอกอย่างง่ายๆแล้วเดินผละไปจัดการแก้หรือเอาผ้าพลาสติกเอามาเตรียมพร้อมไว้ครังบนอะไรงืมมๆกระพินคว้าได้กระสอบป่านปูนอนของเขาเป้หนุนหัวและไลเฟินเดินหิ้วตรงไปยังบริเวณที่มีแม่เคมีฟิสิกส์ผมทองประจำคณะนอนอยู่ด้านหนึ่งเป็นเบลซึ่งนอนหลับไปแล้วส่งเสียงกรนเบา เขาปูกระสอบปานลงวางเป้ลงแทนหมอนลเฟินแนบอยู่ข้างกายและสุดตัวนั่ ง, งโงกหน้าไปดูที่ปลายเข็มน้ำเกลือซึ่งเบลเสียบและใช้พลาสเตอร์ปิดไว้ที่หลังแขนของคริสจะเป็นเพราะคนป่วยยกแขนขึ้นวางประสานกันไว้บนรวงอกด้วยการเคลื่อนไหวอย่างไม่รู้ตัวขณะที่หลับยังได้อย่างหนึ่งไม่ทราบได้จากแสงตะเกียงแบตเตอรี่ ที่เปิดตั้งไว้เขารู้สึกว่าเข็มจะหลุดจากที่ปักเอาไว้จอมพรานใช้ไฟฉายประจำตัวส่องดูทันทีและมันก็จริงอย่างว่าเข็มหลุดและหยดน้ําเกลือซึมอยู่นอกผิวหนังของหล่อนจะปลุกเบลก็เกรงใจเพราะเห็นหลับสนิทไปแล้วขนาดทดลองเอื้อมมือไปแตะขย่าเบาๆที่ไหลแม่ผมแังยังไม่รู้สึกตัวจึงจําเป็นต้องจัดการได้ตนเองและเขาจะจัดการอย่างไรแทงเข็มเข้าเส้นเลือดมาอีกครั้งโดยที่ไม่บอกให้หล่อนรู้ตัว และ ว, วางแขนไว้บนซวงอกเช่นนี้มันก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้คริสเขาจ่อริมฝีปากที่ริมจอกปูหลอนกระซิบเบาที่สุดเปลือกตาของหลอนเต้นพริ้วเป็นละล อ, อกอีกครั้ง Who are you คนที่คุณเคยบอกว่าอำมหิตใจหินใจดำที่สุดคริสติน่าลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นพบใบหน้าที่ก้มลงมองอยู่ก่อนแล้วหลอนมองนิดหนึ่งแล้วเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าดามืดประดับไปด้วยจุดทองแห่งดวงดาว คุณมาทําอะไรที่นี่เข็มน้ําเกลือของคุณหลุดและผมจะต้องแทงเข้าเส้นไหมกรุณาไปให้ห่างๆฉันได้ไหมโรดเถอรคริสเห็นแก่สวรรค์ไม่มีสวรรค์สําหรับฉันหล่อนกระซิบเลื่อนลอยอยู่เช่นนั้นตาคงจับอยู่ที่ดาวถ้าเช่นนั้นก็เห็นแก่ผมไนล์พินคนนี้เก็บความการุณาห่วงหาอาทรของคุณไว้ให้กับคนอื่นเถอะสําหรับฉัน โน no. ละพินถอนใจหรือว่าตั้งใจเด็ดขาดแล้วที่จะไม่ปลุกเบลขึ้นมาแต่จะต้องทำหัวใจอันชากระด้างหมางเมินของคริสตินให้อ่อนโยนลงให้ได้ทอดกายลงนอนข้างๆหล่อนวางมืออบอุ่นลงบนหลังฝ่ามือของหล่อนที่ประสานกันอยู่บนอกและบีบเบาๆคุณกำลังมองดูท้องฟ้านะใช่เห็นอะไรบ้างดาวลองนับดูมีกี่ดวงนับไม่ทวน ท่วนสิมีอยู่แค่สองดวงเท่านั้นค่อยๆเอานีแ้แตะที่ดวงตาของหล่อนทีละข้างนี่ยังไงละ่ะเป็นดาวสีฟ้าทองประกายวาววามอยู่นี่หล่อนเม้มริมฝีปากอันแห้งพากลงนิดหนึ่งแล้วปิดตาลงเสียคุณชอบบทกวีไหมฮกกระซิบถามแผลวต่อไปรานป่าใจดำอย่างคุณรู้จักบทกวีด้วยหรือจะฟังไห Long do, my love is a lotus blossom. Her b e a s t is a pomegranate. Her forehead is a snare of m e r e wood, and I'm the wild bird tamed by the tosem trap. ไปกระซิบข้อความนี้กับยอดรักของคุณ My love, my love, my heart is yearning for your love, all your dreams. I tell you, look, they have come true. คริสติน่าน้ำตาคลอพริกตะแคงตัวไปทางด้านขวาไปทางด้านเขาแล้วลืมตาใสขึ้นดูแล้วยิ้มฝืนๆถึงแม้มันจะเป็นเพียงบทกวีในภาวะนี้ฟังแล้วมันก็ทำให้เป็นสุขได้เหมือนกันนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องมาหลอกฉันนี่หรือพรานไพร มีหน้าล่ะฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้หญิงคนไหนอยู่ใกล้ชิดคุณถึงจะไม่หลงคุณซ่อนความงามในทั้งอารมณ์ไว้อย่างมิดชิดที่สุดภายใต้กรอบหน้าปานเทือนทมินหินชาติเอาละ่ะจะปักเข็มให้ฉันไหมก็เอาฉันยอมละกล่าวจบหล่อนก็ยื่นแขนให้เขาโดยดีประพินไพรวันรอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอกค่อยๆบรรจงเสือกปลายเข็มเข้าในเส้นเลือดของหล่อน จนได้ที่ตลอดเวลาคริสตินานอนมองดูเฉพาะใบหน้าเขาเฉยพอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้พลาสเตอร์ปิดทับไว้เอานิ้วแตะริมฟีปากตัวเองแล้วแตะลงไปบนหน้าผากหลอนพยายามอย่าให้เข็มมันหลุดอีกน้องสาวแล้วก็หลับเสียพรุ่งนี้จะมีสำหรับคุณขอบคุณสำหรับความพยายาม ฉันเพิ่งจะได้เห็นความอ่อนโยนนุ่มนวลอย่างแท้จริงของคุณเดียวนี้เองและขอบคุณสำหรับโกวีทั้งสองบทนั้นแม้ว่ามันจะเป็นความเท็จก็ตามโดยเฉพาะบทหลัง Good night จากนั้นรอนก็หลับตาลงและพลิกกายนอนหงายวางแบน์ราบกับพื้นตามเดิมตะมัดระวังไม่ให้เข็มหลุดอีกรานใหญ่สังเกตดูรอนอยู่เงียบๆในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนของเขา แม่นักเคมีฟิสิกสาวและขณะอยู่ในอาการสงบลมหายใจสม่ำเสมอเขาใช้หลังมืออังที่ซอกคอแผวเบาอุณหภูมิในกายของหล่อนสูงเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะผิดปกติเกินไปนักจับชีพจรที่ข้อมือประมาณเจ็ดสิบครั้งต่อนอาทีทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเรียบร้อยและไม่น่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นอีกเกี่ยวกับอาการของแม่ผมทอง ระหว่างที่เขาแตะซอกคอและจับชีพจรที่ข้อมือหลอนนิ่งเฉยไม่ได้เปิดเปลือกตาขึ้นอีกเลยมองห่างตัวไกลออกไปเบลดร์สแตนลีย์คีดและเชิดบุธทุกคนหลับสนิทกันหมดด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจัดการดึงผ้าห่มหนาผืนใหญ่ของคณะให้มาคลุมร่างกายของหลอนจนมิดชิด ต, ตนเองถอยห่างออกมาประมาณหนึ่งศอกแล้วก็เองกายลงนอนีรษาพาดเป้หลัง ใช้แทนหมอนตั้งใจว่าจะหลับตาลงแต่มันก็ยังคงลืมค้างสว่างโพงอยู่เช่นนั้นทอดเมือลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดและพร่างพราวไปด้วยดวงตาสวรรค์นี่เขาเอง ก, ก็กำลังนับดาวอยู่เช่นกันเป็นครั้งแรกแห่งชีวิตของพรานไัยเช่นเขาที่ไม่อาจคุมจิตให้หลับลงได้ ท, ทั้งท้งที่แต่ไหนแต่ไรจากการที่ฝึกหัดมาจนเคยชินนั้น ก็าสามารถจะสั่งประสาทสมองของตนเองได้เรากับตั้งนาฬิกาจะให้หลับเมื่ อ, อไหรตื่นเมื่อใดได้ทั้งสิน้นแต่เมื่อคืนนี้มันเหลือระงับหลับไม่ลงจริงๆใจครุ่นคิดฟุ้งซ่านพวงไปถึงความรักความหลังป่านชนี้เธอผู้นั้นอยู่ที่ใดในภาวะไหนหรือว่าจะตัดสวารทขาดอะไรสลัดละพินไพรวันผู้นี้เอาไปจากหัวใจเสียแล้ว เขาจะไม่โทษเธอเลยถ้าหากเหตุการณ์มันเป็นไปเช่นนั้นและ mm. ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยผู้หญิงคนไหนต่อให้รักแสนรักปานใดจะมามัวตั้งตาคอยการกลับคืนมาของเขาอีกในเมื่อเขาพระมาอย่างไม่มีความหวังที่จะได้กลับคืนไปอีกแล้วเช่นนี้นี่มันเป็นกรรมเก่าแท้ๆทีเดียวและดารินวราฤทธิ์ผู้นั้นจะล่วงรู้ ถึงแก่นแท้จริงใจของเขาบ้างหรือไม่เนาะรอนอัดโกรธแล้วเลยพลานแล้วเลยพลานเกลียดเข้าไปเลยก็ได้ที่ผิดคํามั่นสัญญาปรับปากกันไว้อย่างมั่นเหมาะว่าเขาจะต้องไปพบรอนให้ได้นะวันเกิดที่ผ่านมานั้นแต่แล้วตัวเขเองก็มาเดินดงสมซานบอบช้าทั้งกายใจอยู่อย่างขณะ น, นี้มันเป็นลิขิตชีวิตที่เลี้ยงเลี่ยงไม่ได้จริงๆ แต่อะไรเล่าที่จะทำให้หล่อนมาเข้าใจเขาได้เพียงแค่จดหมายฝากลาไว้สั้นๆมอบให้คุณอัมพลไว้น่าหรือเขาไม่แน่ใจว่ามันใช่ความกระจ่างแกหลอนได้เพียงพอลืมละพินคนนี้เสียเถิดคุณหญิงคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นเพียงความฝันก็แล้วกันแต่สำหรับผมก็จะขอรักมั่นคงต่อคุณหญิงเช่นนี้ตราบลมหายใจช่วงสุดท้าย ริมฝีปากของเขาขมุบขมิบกระซิบข้อความนั้นกับหมู่ดาวอยากจะให้นายหญิงของผมลืมผู้กองจริงๆงั้นหรือได้ยินเสียงหัวใจของผู้กองร่ำร้องภาวนานะักดาวตอบมาแต่เสียงเหมือนแง้ทายและด้วยประสาทที่ตื่นพร้อมหมูลเช่นนี้เขาแยกออกว่านั่นคือจิตใต้สำนึกของตนเอง นั่นไม่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดหรอกหรือมันถูกต้องยังไงก็ให้ฉันทนทุกเวทนาปวดร้าวทรมานใจไปคนเดียวดีกว่าที่เราจะต้องทรมานด้วยกันทั้งสองฝ่ายั้งงั้นก็รู้สิว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตกอยู่ในห่วงทุกทรมานเช่นกันก็คงเพียงก็คงเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนานไปก็คงจะเลือนไปเอง รู้จักนายหญิงของผมดีแล้วหรือที่คิดเช่นนี้ประพินถอนใจแล้วหลับตาลงไม่อยากจะโต้เถียงกับอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจตนเองคุณพระช่วยมันไม่ใช่อนุสติหรือจิตใต้สานึกเสร็จแล้วพอเปิดเปลือกตาเท่านั้นเขาก็เห็นพอปิดเปลือกตาเท่านั้นเขาก็เห็นเจ้าของประโยคที่โต้ตอบกับเขา นั่งยิงฟันขาวอยู่บนแง่หินใกล้ๆกับที่นอนทางด้านซ้ายมือห่างออกไปเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นลืมตาภาพหายหลับตาภาพนั้นปรากฏอีกมันเป็นอะไรสักอย่างที่สุดก็จะวินิจฉัยได้อดีตคนใช้ดาชาวดงพเนจรผู้ปรับสำคัญของเขาซึ่งมันจะมาให้เห็นอยู่เสมออยามเมื่อเขาตกอยู่ในห่วงพวังราพึง และผู้คนอื่นใดในคณะหลับสิ้นหมดแล้วมโนภาพที่เขาเห็นไปเองกระมังสาบานด้ว่ายามนี้เขาไม่ได้คิดถึงแง่ทายเลยในที่สุดแกก็กลายเป็นผีป่าคอยติดตามมาหลอกหลอนฉันอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ฉันเห็นแกมันแปลว่าฉันกำลังตกอยู่ในภาวะย่าแย่เต็มทีแล้วคืนนี้ผมไม่เห็นว่าผู้กองจะย่าแย่อะไร นอกจากความคิดเท่านั้นที่แย่มากความคิดของฉันแย่ยังไงดูถูกหมิ่นน้ําใจในายหญิงของผมฉันเพียงแต่ภาวนาขอให้ลืมขอให้เธอลืมเสียเท่านั้นเพื่ออะไรผู้กองจะได้หลุดพ้นจากพันธะแล้วก็ช่วยโอกาสทําอะไรได้ตามใจชอบหรือตามโอกาสเพราะถือว่าตนเองหมดพันธะทางใจแล้วงั้นใช่ไหม แกอยด่ด่าฉันซิแงซายแกรู้ใจฉันดีอยู่แล้วใจของผู้กองนะไม่แน่ว่าจะรู้ชัดแจ้งนักลอกแต่ที่รู้แน่ๆก็คือนอกเหนือไปจากโรคจับสันประจําตัวแล้วยังมีอาการพยาธทางจิตประสาทอีกด้วยก็อาจใช่ถ้าฉันไม่มีอาการพยาธทางจิตประสาทฉันคงไม่มันปั้นภาพ ลืมมันเห็นแก่ได้ยินเสียงเป็นตุเป็นตะอยู่ บ, บ่อยๆแบบนี้หรอกแงยสายสันชิษะเช่มช้าเป้าพยาดพยาดทั้งจิตประสาทที่ผมพูดหมายถึงโรคที่ชอบทรมานตัวเองทาทั้งตัวทั้งใจให้ต้องบอบช้าทุกเศร้าอยู่เรื่อยตั้งหักเหตุก็มาจากข้อที่ว่าตลอดชีวิตคิดว่าตัวเองมีแต่ความอาภาพพัพผิดหวังมาเรื่อย แต่พอจะสมหวังเป็นสุขขึ้นมาบ้างก็แกล้งตัวเองให้ต้องผิดหวังซะอีกผู้กองไม่เชื่อว่านายหญิงจะรักผู้กองจริงผู้กองจึงหนีหนะ้ามาเสียแกคิดว่าฉันจะดีกเกลี้ยงการเดินทางในครั้งนี้ได้หรือทำไมจะไม่ได้ถ้าผู้กองไม่วางท่าถือตัวแลวหวังจะบีบคั้นและทดสอบน้ําใจของนายหญิงว่าจะแน่กับผู้กองสักแค่ไหนก็เธออุตส่าห์มาตาม มาชวนให้ไปกับเธอแล้วผู้กองก็ยังไม่ยอมไปด้วยถ้ายอมไปกับเธอเสร็จตั้งแต่วันนั้นพวกนี้มาตามหาตัวผู้กองไม่พบและเมื่อไม่พบผู้กองก็ไม่ต้องรับคําสั่งจากใครทั้งสิ้นนี่มัวแต่เตะท่าตั้งแง่อยู่เขาจีหัวมาใช้งานนะสิโทษใครไม่ได้ต้องโทษผู้กองเองนั่นแหละนายหญิงสั่งแกให้ไม่ด่าฉันเช่นนั้นล่ะผมด่าเองแหละ ไม่ใช่นายหญิงด่าหรอกนายหญิงจะเอาอะไรที่ไหนมาดา่าไม่ว่าผู้กองจะทําอะไรเธอเห็นเป็นสิ่งถูกต้องดีงามไปเสียหมดเธอเห็นเป็นสิ่งถูกต้องดีงามไปเสียหมดอย่างนั้นแหละและตอนนี้น้ําตาก็แทบจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วเธอเข้าใจว่าเป็นความผิดของเธอเองที่ทอดทิ้งผู้กองไว้แต่ผมว่าเป็นความผิดของผู้กองที่ถือดีเอาชั้นเอาเชิญกับเธอเกินไป แงสายตั้งแต่เราครบเห็นกันมาแกไม่เคยด่าฉันเจ็บปวดเท่าครั้งนี้ผู้กองด่าผมมามากแล้วให้ผมด่าผู้กองใชมั่งสิตอนจะออกจากมรกตนคะรในครั้งนั้นก็อุตส่าห์มั่นไว้ให้แล้วลืมเสียแล้วหรือแงสายแยกเขี้ยวปากระบอกปืนปัสตันชี้หน้าเขาทรมานตัวเองยังไม่พอยังไปทรมานคนที่ตัวแสนรักอีก ชาตินี้นะคงไม่ได้พบกันอีกแล้วสมน้ำหน้าและตัวเองนั้นกว่าจะตายก็อย่านึกว่าจะตายได้ง่ายๆต้องสมสารยากแค้นแสนสาหานะัสหนักแล้วเจ้าสิ่งลี้ลับในมโนโคติของเขาจะชี้มือไปทางแม่สาวผมทองซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเขาและนั่นก็คือตัวปัญหาสำคัญที่จะกัดกร่อนกินใจทรมานผู้กองทวีหนักซ้าซ้อนเข้าไปอีก ผู้กองรักและซื่อสัตวนายหญิงมากเท่าไรผู้กองก็จะยิ่งปวดร้าวทรมานใจเพราะผู้หญิงผมทองคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นความรักทิ้งไว้เบื้องหลังห่างไกลความเห็นใจกับผูกพันใกล้ชิดติดตัวจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็คายไม่ออกโอยแงสายละปวดกระโหลกแทนคืนนี้ดูแกเกลี้ยกราดอกับฉันเหลือเกินนะไอ้น้องชาย เขาพูดเศร้าๆร่างสูงตรงงานส ง, งาน่างามปานเทพพบุตแต่อยู่ในชุดเกรียงโดงอย่างที่เขาเห็นลุกขึ้นยืนผมเวทนาผู้กองไม่อยากจะพูดอะไรให้เป็นการซ้ำเติมทรมานใจมากไปกว่านี้ประแสะเสียงอันดุดันบันน้กลายเป็นทุ่มลึกไพเลาะดึกมากแล้วผมไปละผู้กองนอนให้หลับเถอะ มานอนนับดาวอยู่อย่างนี้มันหาประโยชน์มรรคผลอะไรขึ้นมาไม่ได้หรอกคืนนี้มันคงไม่มีเพศภัยอะไรสงบจิตใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันว่าแล้วล่างนั้นก็ทําท่าจะหมุนกลับเดี๋ยวก่อนแงซสายภาพที่มองเห็นชัดว่าคือแงซสายจอมพนเนจรในอดีตยืนเบี่ยงกายเยี่ยวหน้าสีทองแดงและดวงตา ง, งามคมปราบมาทางเขาพร้อมกับรอยยิ้มน้อย คิ้วหนาโก่งยาวเลิกขึ้นเขาเห็นชัดในมโนโทวารแม้กระทั่งขนตาดกงอนตั้งแต่เกิดมาประพินยอมรับว่าเห็นผู้หญิงสวยมามากแต่จนกระทั่งบัดนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนในโลกจะมีใบหน้าและเรือนร่างงดงามหมดจกเหมือนแงซายหรือจักรล้านแห่งมรกตนครอาการชะงักลีลอนั้นทำให้เขาต้องการจะลืมตา และดึงกายขึ้นนั่งแต่รู้สึกว่าร่างกายและเปลือกตาหนักอึ้งไปหมดไม่สามารถขยับขยื่นได้เหมือนถูกผีอ่ำและมันจะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่นิมิตเห็นแง่ทรา ย, ายเดี๋ยวนี้ฉันพิจารณาดูแกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนือธรรมชาติไปเสียแล้วนะไม่ว่าแกจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อแกมาให้ฉันเห็นแล้วเช่นนี้ก็ช่วยบอกความหรือตอบคําถามอะไรแกฉันหน่อยได้ไหม นอกเหนือไปจากมายั่วแย่โทรสัหรือย่อเย้ยพูดจานเน็บแนมถากทางประทบกระเทียบแดกดันอะไรฉันผู้กองจะให้ตอบอะไรทุกอย่างที่ฉันถามแงสายหันมาเผชิญหน้าตรงอีกครั้งผมจะตอบเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจะตอบได้เท่านั้นถ้าขืนตอบผู้กองหมดทุกข้อที่ผู้กองต้องการถามมันก็เป็นการผิดสิง ผู้กองก็รู้ว่าผมก็คือสิทธิของมหาฤาษีโกนธัญญะคนหนึ่งอะไรมันจะเป็นไปก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปจะไปฝืนลิขิตชีวิตใครย่อมไม่ได้การบอกอนาคตเลือดดีของผู้ใดเป็นเรื่องที่ผู้ทรงศีลไม่พึงปฏิบัติเพราะเป็นอาบัตออเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้ทรงศีลไปแล้วงั้นหรืออดีตคนใช้ชาวดวงหัวเราะตำตำในลาคอ แล้วสักวันหนึ่งถ้าไม่ตายเสียก่อนผู้กองจะเข้าใจได้ดีตอนนั้นปล่อยทุกตอนนี้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสีดำไปก่อนแกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีแต่ไม่ใช่โลกของภูมิศาสตร์หรอกเป็นโลกในดินแดนสนทยาก็ตรงจุดนัดพบระหว่างทิวาและราตรีที่ผู้กองเคยผ่านมาแล้วนั่นแหละ คืนนี้ฝนจะเทนหนักไหมไม่แม้แต่หยดเดียวแต่น้ําค้างแรงพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปได้ไหมดูแลแม่ผมทองให้ดีแล้วผู้กองจะเดินทางต่อไปได้เรากําลังขาดน้ําแง่สายบนยอดเขาพองหาได้ไหมแง่ส า, ายยิ้มกว้างออกไปอีกตาเป็นประกายขดขันอ้าวก็ไหนผู้กองบอกแม่ผมทองนั่นไว้ยังไงแล้ว่ะ ถ้าไตาขึ้นไปถึงหัวปีกของยอดนกอินทรีแล้วจะพบสะโบกขอละนีมีโหงดำโหงขาวลอยฟ้องอยู่เข้าใจหลอกเหมือนกันนะ ท, ท, ทั้งๆที่ผุกกองเองก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าวันนั้นจะมีแม้แต่น้ำสักหยดหรือไม่เอานะ่ะถ้าอย่างไงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ถึงกับมวยมอนหรอกหลักพินไพรวันเสียอย่างกลัวอะไร ผีดิบมันตรายมันจะก่อเวรก่อกรรมกับฉันไปอีกนานสักเท่าใดก็คงจนกว่าจะพี่นาากันไปข้างหนึ่งกระ ม, มังกรรมเก่าจองเวรกันมาแต่อดีตชาติหลายบบบหลายบานมาแล้วก็ฟาดกับมันไปสิผู้กองใครดีใครอยู่ผู้กองเองก็สิทธิ์มีครูไม่ใช่หรือแต่หนักหน่อยนะคราวนี้สารพัดวิชาปราดามีก็เรียกมาใช้เถอะ มันกะเล่นผู้กองสุดฝีมือของมันทีเดียวและคราวนี้เครื่องบีห้าสิบสองลำนั้นตกที่ไหนเอ๊ะถามมาหลายครั้งแล้วนะเรื่องนี้บอกว่าปอกไม่ได้ค้นหาเอาเองสิคนหายสาบสูญยังตามพบนับราษาอะไรกับเครื่องบินลำเท่าตึกทั้งลำนายหญิงขณะนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไรบ้างภาวนาอยู่เมื่อยกยกนี้ไม่ใช่ลึก ไหวเธอลืมผู้กองเสียไม่ต้องห่วงหลังหรอกเธอลืมผู้กองไปแล้วอย่างสนิททีเดียวประพินยิ่งร่างนั้นหัวเราะเบาๆหมดคำถามเสียงนั้นดังอีกมันจะเตือนให้เขาพูดหมดแล้วแกจะไปไหนเชิญไปได้แล้วแทนที่จะไป แงาสายคย่อยๆยหย่อนกายลงนั่งอีกครั้งทอดตาจับนิ่งยิ้มยิ้มมาที่เขากล่าวขึ้นลอยๆอยได้เสียงที่นุ่มวักดึกแล้วนะไม่ต้องมาเสือกบอกหรอกรู้ว่าดึกฟ้าพราวดาวเกลือนมีอยู่กี่ดวงล่ะช่วยนับให้ทีเหอะแต่ขาดเดือนท้องฟ้าแลมเดือนใหญ่ยยมืดเหมือนใจข้าไปได้แล้วเสียงอะไร เสียงกวนประสาทของแกนะสิผีใครที่ไหนกูมาเ็ไอ้ผีแงซายที่นั่งหลอกอยู่นี่ยังไงล่ะอ้อลิงดอกหนาโหยหวนครวนมาครวนเรียกหาใครเล่าครวนเรียกเตียเองมั่งริงเรอะไรวะไอ้นี่บอกให้ไปพ่นๆเสียทีร้องไปทำไมกัน ร้องด่าว่าไอ้แงสายไอ้กะล่อนดงหรือมันกูเรียกชู้มันข้าคงเหมือนกันได้แต่โศกสันอาลายัยเขาพยายามลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นจริงๆแงสายชะงงกหน้าเข้ามาใกล้ลิงเอ้ยหวังเฉยชมใครกลับเงียบไปผู้ขวัญใจคงจะไม่คืนมาทุกสิ่งพลอยเงียบงัน ได้ยินไก่ขันดังเมื่อยามอรุณยินเสียงระฆังฉันยังนั่งคอยเธอแงซ า, ายระพินหลุดปากตะโกนล่านออกมาได้พร้อมกับพงหัวพกรดขึ้นนั่งลืมตาโพรงจ้องไปยังหินก้อนนั้นไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบและเงาสลัวรางของก้อนหินรอบด้าน นอกจากนั้นก็เป็นเสียงมแรงในราตรีนแสนสงัดเท่านั้นมีเสียงขยับลูกเรือนกลุวมดังขึ้นมากับจะไล่กับเสียงร้องและอาการผวาลุกขึ้นนั่งเบิกตาตะลึงของเขาจากนั้นก็เงียบไปชั่วอึดใจจอมพรานยังนั่งนิ่งคริสติน่าและกลุ่มนายจ้างที่นอนเรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานอยู่ยังไม่มีใครรู้สึกกายขึ้นทั้งสิน้นแต่พวกลูกหาพรานพื้นเมืองต่างตา ที่นอนกันเป็นกลุ่มเรียงรายอยู่รอบๆก็ล้วนอยู่ในอาการสงบแสดงว่าหลับไม่รู้สึกตัวกันทุกคนขณะจิตต่อมาระหว่างที่เขายังนั่งเอามือลูบใบหน้าอยู่นั้นเงาของใครคนนึ่งในกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมกับไรเฟิรนในมือย่องเป็นเงาตะคุ่มเข้ามาตัดเท้าบุญคํานั่นเองแต่เสียงขยับลุกเลื่อนที่แววให้ได้ยินมาเมื่อครู่นี้ก็คงดังมาจากแก่นั่นเอง นายนายเป็นอะไรไปบุญคำตกใจตื่นเห็นนายเพ่นขึ้นมานั่งประคอยคุมเชิงอยู่นึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เห็นมีอะไรแกแต ะ, ะไหลครับกระสิบถามแผวเบาจ้องหน้าขมิงบุญคำรวดเร็วและฉับไวตัวเหตุการณ์เสมอพรานใหญ่ขยี้ตายยิ้มจืดจืดเปล่ปาเปล่าไม่มีอะไรหรอกบุญคำฉันฉันฝันร้ายและคงจะละมือร้องอะไรออกไปเอทาไม่ค่อยจะดีแฮ นายกูคืนนี้เดี๋ยวบุญคำมานอนใกล้ๆนายดีกว่าว่าแล้วแกก็เพ่นกลับไปที่เดิมของแกอย่างเบากริบอึดใจก็ย้อนกลับมาพร้อมกับอัฐบริหารเครื่องนอนประเภทเดียวกับเขาประกอบด้วยกระสอบปานย่ามหนุนหัวและผ้าผวยผืนบางๆดำยิ่งกว่าขี้เป็ดพอมาถึงก็ยึดที่ปูนอนกใกล้ๆเขนายนอนเธอบุญคำดูแลอะไรให้เองคืนนี้ ไม่ต้องมามัวห่วงแม่มคริสหรอกถ้าน้ำมันที่เติมเข้าเส้นเลือดนั่นหมดแกชี้ไปที่ถุงน้ำเกลือที่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งในสี่ของถุงบุญคำจะปลกหมอเบลให้แกมาช่วยถอดเข็มให้เองระวังนายจะไม่สบายไปอีกคนถึงคราวคับขันจำเป็นจริงๆบุญคำใช้ได้ดีทีเดียวแหละเพราะความฉลาดรอบครอบของแกแต่ถ้าไม่มีอะไรทะลึ่งโลนไรสาระไปตามเรื่อง ความจริงมันเกิดจากนิสยัยอารมณ์สนุกตะคนองของแกนั่นเองและในยามนี้ไม่มีใครที่จะวางใจสำหรับเขาได้มากไปกว่าบุญคาอีกแล้วท่ามกลางมหาภัยพิบัติกลางป่ามฤตยูที่แวดล้อมอยู่จอมพรานเองกายลงนอนอย่างละเหียดหันไปมองทางแม่ผมทองสมุนขวาคู่ใจทันใดความคิดบอกเบาๆว่าแหม่คริสหลับสนิท คงโดนยานอนหลับผสมเข้าไปในไอ้ถุงนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็แข็งแรงดีเหมือนเดิมอย่าห่วงเลยประพินหลับตาลงและมือกายนะผาบุญคาขลับนายมีอะไรพรุ่งนี้เราอาจไม่พบแหล่งน้ำบนยอดเขาลูกนี้เลยไม่พบพรุ่งนี้ก็ไม่ตายเสียก่อนมะลืนก็พบมะลืนไม่พบมาเรื่องก็พบแกตอบง่ายๆตามสไตล์ของแก พวกเราจะอดนะ้อดอาหารหมดแรงไต่เขากันต่อไปถ้านัดตัดสินใจผิดก็ได้ที่นําพวกเขาใบาหน้าขึ้นมาทางหน้าผาด้านนี้ให้มันรู้ไปเป็นไรเป็นกันสินะนายอย่างน้อยไอค้คาไอ้จันท์ไอ้เกิดไอ้เสยก็ยังอยู่กับนายพร้อมทั้งสี่คนแล้วมืออย่างนายถ้าตัดสินใจนําทางผิดก็ไม่มีใครนําทางได้ถูกอีกแล้วพรุ่งนี้ขออนุญาตยิงสัดมาเป็นอาหารบ้างนะนายเราหมดสเสบียงพวกเนื้อแห้งแล้วตกลง เขาพยักหน้าบอกง่ายๆดูนายเศร้าซึมเหลือเกินคืนนี้ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้มาตลอดกลาล น, นั่นแหละไม่ได้เศร้าไม่ได้ซึมอะไรหรอกจะให้หน้าทะเล็งหัวรอคิดคักคิดคักสัปะรดสีบัลนอะไรอยู่ตลอดเวลาถึางบุญคำได้อย่างไรสับปะรดสีมั่งวรนิดเขา ว, ว่าจิตมันแจ่มใสนะนายอย่าไปคิดจริงจังอะไรกับมันนักเลยกรรมหมดเราก็ตายเองกรรมยังไม่สิ้นก็ได้ล่นกระเสือ ก, กสนกันไปแต่บุญคําสังขอนอะไรบางอย่างนะ มันศาสษาอย่างไงพิกลสงขลอยังไรสงขลอยังนายหญิงจะตามเรามาแกกระซิบเบาที่สุดรัฟฟินถอนใจ เ, เึ้นอย่าพูดอะไรในสิ่งไร้สาระมันเป็นไปไม่ได้หรอกนายหญิงจะตามมาทําไมเอาล่ะหยุดพูดได้แล้วฉันจะพยายามหลับดูแม่มคริสด้วยถ้าน้ำเกลือหมดถุงปลุกแมมเบลให้ถอดเข็มออกนั่นคือประโยชนสุดท้ายของเขาก่อนจะเงียบสนิทไป ทั่ที่จุดแลปปักแยกกันไว้ชุดหนึ่งสามดอกบูชาคุณพระรันตนไตยอีกดอกหนึ่งแยกมาต่างหากสักการะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองภูเขาขุนเขาและป่าใหญ่ที่แล้วร้อมอยู่ในขณะ น, นี้ทรงคันกล่นกินลามเข้าไปประมาณสามในสส่วนแล้วดารินวราลิ์ยังคงนั่งสงบนิ่งไม่ติงกายขณะนี้หล่อนปรจากความรู้สึกใดๆทางร่างกายแล้วดวงปราณสนิท แนวนิ่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนห่างออกไปเบื้องหลังเพียงแค่วาสเดษนันอินนั่งขัดสมาธิเช่นกันคอยควบคุมดูแลอยู่อย่างระมัดระวังสิ่งที่แค่จะทำได้ในยามนี้ก็เพียงใช้อากุมเป็นเกาะกำบังไม่ให้วิญญาณหรือสิ่งอันชั่วร้ายใดๆเข้ามาฉวยโอกาสครอบงำดวงจิตซึ่งอยู่ในภาวะว่างของนายหญิงเท่านั้นแต่สังเกตเห็นร่างของนายหญิงนั่งตัวตรงแนวลมหายใจเข้าออก แผ่วจางที่สุดดูปเปิดาเหมือนคนที่ไม่ได้หายใจเลยแสดงว่าสามารถสะกดจิตตัวเองลงสู่อาการที่เรียกว่าหลับลึกแล้วในภาวะร่างกายภายนอกแล้แล้วบัตรนั่นเองจากความมืดสนิทค่อยๆปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นในประสาทส่วนที่หกของดาริงรอนมองหินทะลุมา่านเปลือกตาของตนเองที่ปิดสนิทออกไป แสงสว่างพร่างพรายไปด้วยรัศมีงดงามนะั้นลอยเด่นอยู่เบื้องหน้าเป็นกลุงหัก้อนแล้วก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นตามลําดับจนกระทั่งกลายเป็นภาพชัดเจนของอรหันต์เจ้าโกนธัญญมุนีแห่งเทือกเขานินกาที่หล่อนเคยไปเฝ้ากราบไหว้ฟากตัวเป็นสิบและพร่ำภาวนาน้มระลึกถึงท่านอยู่เป็นประจำในทุกครั้งที่ตนเองตกอยู่ในภาวะกลัดกรุ่มหรือท่ามกลางมหันตภัยไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ร่างนจีวรย้อมฝากที่หลอนแรเห็นจัดดวงตาที่สามนี่ไม่ได้แลดูเหมือนหินผิดประจัดเท่าที่เคยได้เห็นด้วยตาเนื้อมาแล้วหากแต่เหมือนผู้ทรงสิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ลอยเด่นอยู่กลางอากาศดำมืดเบื้องหน้ามือข้างหนึ่งยกขึ้นในลักษณะประธานพริ้มที่ปากนั้น ปรากฏอาการแย้มเยิ น, นน้อยน้อยเหมือนจะทักทายอย่างกาลุ่งแต่ไม่ได้เอื้อนเอ่ยเป็นวาจาใดใดออกมาทั้งสิ้นคข้าจะรู้ความประสงค์ในใจของหล่อนอยู่แล้วมือทั้งสองข้างของหญิงสาววางซ้อนกันอยู่บนตักยกขึ้นพนมบูชาสาธุพระคุณเจ้าได้โปรดลูกด้วยเถิดโปรดเปิดโลกที่มืดมิดเต็มไปด้วยปริศนา อันได้เกิดขึ้นแล้วนะบริเวณหุบผาตะเคียนทองแห่งนี้ให้ลูกได้รู้ได้เห็นถึงความเป็นไปเพราะลูกสุดที่จะเดาความได้ในอดีตของเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่ลูกจะมาถึงเกี่ยวพันไปถึงชายเป็นที่รักผู้ผ่านมาก่อนแล้วบัดนี้ลูกเองก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับทิงอนาถา ย, ยากไรสมสารตะเกียกตะกายเพื่อติดตามชายคนรักมากลางป่าใหญ่ใครกันดารด้วยหัวใจสัตว์ซื่อมั่นคง ถ้าจะไม่มีวันถอยจนกว่าจะพบหรุดจนกว่าตัวเองจะตายหล่อนส่งกระแสจิตวิ่งวนความรักคือความทุกข์กระแสเสียงแผ่วนั้นก้องกังวานอยู่ในสมองของดารินกรรมเก่าเป็นตัวส่งผลให้เกิดเหตุแต่เจ้าเป็นหญิงผู้มีสัจจะ มีความสุดจริตมั่นคงพักดีต่อสามีในอดีตชาติมาทุกชาติแล้วเอาเถิดพ่อจะเปิดโลกเฉพาะเซี่ยวส่วนนี้ให้แกเจ้าได้เห็นได้พิจารณาแต่จะให้เจ้าได้รู้เห็นอะไรมากไปกว่านี้มิได้เพราะเป็นการผิดศีลนิสยัยสิ่งที่จะเข้ามาพบเจ้าในนิมิตคือสิ่งที่จะช่วยหมุ่กาลเวลาย้อนกลับ ที่จะได้รู้เห็นพฤติเหตุอันเกิดขึ้นแล้วนสถานที่นี้ได้ตามที่เจ้าประสงค์แต่อย่าได้เร่งเราสอบถามอันใดให้มากไปกว่าที่เจ้าได้กล่าวขอแก่พ่อไว้เจ้าจะให้สัจจะในข้อนี้ได้หรือไม่เจ้าข้าพราะคุณเจ้าลูกจะไม่ขอสอบซักอื่นใดให้มากไปกว่าขอรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณผาตะเคียนทองนี้เท่านั้น เช่นนั้นดีแล้วผู้นนที่จะนำชี้เหตุการณ์อันเจ้าประสงค์จะรู้มาพบเจ้านาบัตรนี้พ่อเขาจากไปก่อนยามใดที่พิบัติภัยมาถึงจงระลึกถึงอรหันต์เจ้า500พระองค์ไว้ความสวัสดีจะมีแด่ตัวเจ้าตลอดไปพึงดับไฟกิเลสสประการให้ออกพ้นไปจากดวงจิตด้วย คือโมหะโทสะและโลภะนั่นคือประทีดํำใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแม้มีปรากฏทันตาเห็นในชาตินี้ก็จะส่งผลติดตามในุกชาติหน้าบอกความครบสิ้นดังนั้นแล้วภาพของโกนทันญะมุนีก็เลือนรางไปจนกระทั่งกลายเป็นความมืดสนิท ต, ตามเดิมอยู่ขณะจิตหนึ่ง ดารินรถมือที่พนมบูชาเนื้ออกลงวางซ้อนบนตักตามเดิมจุดโ เ, เขาเรืองแสงคล้ายหิงห้อยไกลลิบลงไปยังบริเวณหน้าผาเบื้องล่างในเวลาต่อมาจุดนั้นดูห่างไกลจากจตำแหน่งที่หล่อ น, นั่งสมาธิอยู่หน้าผามากทีเดียวดูเหมือนจะตรงบริเวณโขดหินใกล้ๆลำธาร ท, ที่คณะพักทั้งหมดเดินไต่ล้อกันขึ้นมาเมื่อใกล้ข้ามวันนี้ก่อนจะพบบริเวณที่เกลื่อนกลาดไปด้วยซากช้างตายเน่า เต็มบริเวณพื้นที่ไปหมดนั่นแหละและชั่วครู่เดียวจุดดังกล่าวก็เริ่มเคลื่อนลอยจากตำแหน่งนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะเป็นจุดสว่างขาวๆที่ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นทุกทียามื่อใกล้เข้ามากระทั่งในที่สุดก็มาปรากฏอยู่ยังโขดหินก้อนเคืองปากโพรงถ้ำที่ดารินนั่งสงบอยู่ครั้งแรกเห็นคล้ายๆกลุ่มควันก่อนต่อมาก็รวมตัวกลายเป็นสตรีสาวผู้เรือนร่างทรงใบหน้าอัน เหมือนภาพวาดวิจิตรในอาพรแพรพรันสีขาวล้วนเส้นผมและชายแพรของอาพรที่ห่อหุ้มเรือนกายปลิวสวยเหมือนถูกแรงลมพัดดารินเฝ้าเพ่งพินิษ์ทางมโนทวาลมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสตรี ง, งามเหนือคำบรรยายนางนั้นจะมายืนห่างจากร่อนผู้นั้นเพียงแค่สองวาเท่านั้นเองทุกส่วนสัตว์ชัดเจนแม้กระทั่งดวงตาที่แลจ้องมา พร้อมด้วยรอยยิ้มน้อยๆ อ, อย่างนิดขอต้อนรับจิตรางขนางเทวีณสถานถิ่นอันเป็นอนาบริเวณปกครองดูแลของเหล่านี้น้ำเสียงหวานใสอ่อนโยนภพเราะเอ่ยทักทายขึ้นเธอเรียกฉันว่าอะไรนะล่อนถามทางกระแสจิตนึกคิดภายในด้วยลักษณะปกติธรรมดาที่สุด นางผู้งามปานวาดนั้นแย้มสวนออกมาเบาๆขอโทษนะน้อยที่ฉันเรียกนามดั้งเดิมแต่บัพชาติของเธอคำตอบต่อมาเปลี่ยนเป็นกันเองที่สุดเหมือนเพื่อนร่วมยุคสมัยที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนดีใจที่ได้พบเธอเธอคืออรัญญานีก่อนอื่นโปรดรับสักการะความเคารพจากฉันด้วยอารัญญานี ไม่จำเป็นหรอกสตรีงามในมิติที่หของดารินตอบคิดเซว่าเราเป็นเพื่อนเก่ากักนมานานก็แล้วกันเพียงแต่เส้นแบ่งขั้นจักรวาลมาเป็นกำแพงกีดกั้นขวางบังเราไว้แต่ราตรีนี้เอาว่าคืนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่านะเส้นแบ่งขั้นจักรวาลแบ่งพบถูกเปิดออกชั่วขณะทำให้เราสามารถพบกันได้ง่ายข้าเมื่อสักครู่นี้คนของฉันอัญเชิญเธอมาแล้วใช่ไหม ใช่เขานั่งคุมเธออยู่ข้างหลังนั่นไงแต่เขามองไม่เห็นฉันหรอกเธอไม่ได้ให้ความกระจา่างใดๆแก่เขาเลยก็เขาเป็นใครละ่ะที่จะมาบังอาจสอบซักอะไรฉันไม่ว่าจะด้านบา ร, รมีหรืออิทธิยานของเขายังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกเทวนาเรมาพูดคุยด้วยได้หรอกก็แล้วฉันละ่ะเธอเองก็ไม่มีบารมีไม่มีมมมทิพลอิทธิยานอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐที่คุ้มตัวเธออยู่จังหั ที่เปิดทางให้แกเธอแต่จะว่าบารมีของเธอไม่มีก็ไม่ถูกต้องนะความจริงมีอยู่มากพอสมควรทีเดียวบารมีนี้เกิดขึ้นจากอำนาจสัตวิ์จากาอธิษฐานและการรักษาสัตว์ที่มั่นคงยิ่งนั่นเองเป็นยังไงน้องสาวตอนนี้ดูเธอไม่ผิดอะไรกับนางธมยันตีเที่ยวได้ บ, บุกป่าฝ่าดงสมสารค้นหาพระนนเลยนะ กล่าวจบสตรีนางนั้นซึ่งมองแล้วไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ปุตชชนเลยจนนิดเดียวในการสนทนาโต้ตอบประคนสับพยอกหยอกสัพยอกหยอกยาวเล่นที่หัวเราะเบาๆขึ้นอีกก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ 1, ่งก้าวพางค่อยๆห ย, ย, ย่อนกายลงนั่งบนแง่หินตรงหน้าระดับเดียวกับหล่อนใช่ฉันลำบากยากแค้นและทุกข์ระทมเศร้าจนบอกไม่ถูกในการติดตามหาเขาผู้นั้น เดินตามรอยเข้ามาเบื้องหลังพบเห็นแต่ร่องรอยอันเต็มไปด้วยปริศนาไปหมดเดาอะไรไม่ถูกเลยอัดอั้นตันใจเหลือประมาณอัคนีรุตเป็นผู้มีกรรมหนักและเป็นผู้ชดใช้กรรมมาหลายชาติแล้วหญิงสาวในชุดขาวกราวเนิบเนิบใช้มือรูปเส้นผมดำขลับงดงามของตนเองอย่าทำหน้างงสิชันหมายถึงตะพรานที่ชื่อระพินไพยวันณของเธอในชาตินี้นั่นแหละ และกรรมของเขามันก็เกี่ยวยงมาถึงเธอด้วยยกเว้นแต่ว่าเธอจะตัดสายโซ่แห่งกรรมนี้ออกเสียโดยไม่ฝังจิตผูกพันกับเขาอีกตัดเขาเออกไปจากชีวิตชาตินี้ของเธอเถิดฉันเตือนเธอแล้วนะน้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีงามขึ้นสําหรับตัวเธอและพวกพ้อถ้าเธอจะกลับหลังเสียยุติการติดตามลงเพียงแค่นี้ ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือในโลกไหนทั้งสิ้นที่จะมาสกัดกัน้นฉันเสียได้ยกเว้นอย่างเดียวถ้าตายเสีก่อนก็จนใจนั่นแปลว่าการเกิดนั่นแปลว่าการติดตามสิ้นสุดแม้ว่าเธอจะตามไปพบว่าชีวิตในชาตินี้ของเขาสิ้นลงแล้วคำถามเหมือนจะยั่งใจมาแน่นอนฉันจะบุกบานติดตามเขาไม่ว่าเขาจะมีชีวิตหรือตายไปแล้ว ถ้าตายก็จะเอากระดูเขากลับนี่คือเจตนารงอันแน่วแน่เช่นนั้นเธอก็เป็นยอดหญิงควรแก่การยกย่องสรรเสริญแท้จริงเกี่ยวกับความรักมั่นคงที่มีต่อชายหนึ่งและชายเดียวเอาละฉันรู้เจตนาของเธอแล้วว่าเธออยากจะทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังบริเวณหน้าผาตะเคียนทอง ซึ่งฉันดูแลอยู่นี้เพราะฉะนั้นอินทรีอย่าภายนอกของเธอจงทิ้งให้นั่งอยู่นั่นแหละแต่ดวงจิตของเธอจงแยกจากร่างชั่วขณะและติดตามฉันมาเถอฉันจะนํามาเห็นทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์วันวันที่คนรักของเธอมาถึงที่นี่เขาได้กระทําอะไรและเกิดเหตุการณ์อย่างใดบ้างนางนั้นลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งทอดแข น, นอ่อนช้อยยื่นส่งทางลนในอาการเชิญชวน ฉันจะถอดดวงจิตฉันออกจากร่างได้อย่างไรฉันยังไม่เคยเธอเข้ามานาฉันไปสี่เข้ามาจับแขนฉันร่างนั้นยังคงยิ้มระไมอยู่เช่นนั้นแต่แกที่นั่งคุมหลังเธออยู่นั่นแม้จะไม่มีอิทธิยานบารมีแก่กล้าพอแต่แกก็มีเวทมนต์อาคมทางเดรชาวิชาเหลือร้ายนะ ขณะนี้ได้แผ่เป็นลัสมีปกป้องเหมือนร่างแหเพชรปกคลุมร่างของเธอไว้แล้วป้องกันไม่ให้อะไรแพ้วผ่านเข้าไปใกล้อินทรียาบของเธอได้ถึงฉันเองก็เข้าไปใกล้ากายเธอมากกว่านี้ไม่ได้มันร้อนรากับไฟโลกันฉะนั้นเธอจงถอดจิตออกมาเองเถิดตั้งพุโทโธนุสติระลึกถึงพรจากมหาฤุษีโกนธัญญะว่าเธอจะขอถอดจิตออกจากร่าง แล้วเธอจะสำลิดผลสมเจตนาไม่ต้องกริ้งเกรงอะไรทั้งสิ้นฉันไม่มีพิษมีไภัยภัยแก่เธอและอรหันองค์นั้นจะปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตให้แก่เธอเองขอรับรองว่าไม่มีอะไรจะมาทําอันตรายเธอได้แม้แต่มันตรัยและบริวารของมันที่รอคอยโอกาสอยู่ก็ตามด้วยเจตนาอันมั่นคงกล้าหาญและดวงจิตที่เด็ดเดี่ยว ตามที่ปราศจากความประวันิพันพึงใดๆทั้งสิ้นดารินวราฤทธิปฏิบัติตามคําแนะนำของสิงรีลักเหนือระดับมนุษย์ปุตุชนนั้นทันทีในการเฝ้าจับสังเกตและคุมวิตอคุมอยู่ตลอดเวลาของพรานครูนานอินที่นั่งสะกดอยู่เบื้องหลังของนายหญิงแกเห็นร่างที่นั่งทรงกายนิ่งหลุดท่อนหินนั้นสงบนิ่งไปนานราวสี่สห้านาทีหรื อ, ออาจหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วดู แล้วโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่นิดหนึ่งและทูปที่จุดไว้ก็ดับไปตั้งนานและนานอินชักเอกใจพนมือขึ้นเหนือศีรษะโอมอ่านคาถาขยับจะเป่าพรวดไปทานด้านหลังของนายหญิงเพื่อใช้อาคมปลุกร้อนให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่ทันที่แกจะทำอะไรลงไปก็ปรากฏว่านายหญิงถอนใจยาวลุกขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับเคลื่อนไหวไกายหันหน้ากลับมาทางแกสีหน้ายัางคล้าเผือดอยู่เช่นนั้น แต่แววตาที่แรมาดูจะเป็นประกายแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยนายหญิงนานอินกำลังจะปลุกนายหญิงขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้พอดีนายหญิงรู้สึกตัวขึ้นเสืยอก่อนแคเอ่ยขึ้นยิางร้อนรนแต่ก็มีแววโล่งอกลาสกุลสาวเอามือทั้งสองรูปหน้าบอกเรียบๆว่าไม่ต้องปลุกกรอกมันเป็นเวลาที่ฉันเลิกจากการนั่งสมาธิพอดีฉันนั่งอยู่นานมากม โอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนายหญิงนานจนหนานอินเห็นท่าไม่ดีเพราะตัวนิ่งแข็งเป็นหินเลยลวมหายใจ ก, ก็แทบจะไม่เห็นเป็นยังไงมั่งละ่ะนายหญิงเห็นอะไรมั่งหล่อนยิ้มจางๆน้าใสๆคลออยู่ในดวงตาพึมพาฉันคิดว่าฉันเห็นนะเห็นอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดและพอใจแล้วเอาละฉันเลิกนั่งละลงมานอนสเสเถอะฉันก็จะนอนเหมือนกัน กลาวจบหลอนลุกขึ้นเดินตรงไปยังตำแหน่งที่นอนของตนพอเฉียดนานอินผู้นั่งอยู่ก็ตบไหล่แกเบาๆครั้งหนึง่งนานอินแงนมองอย่างงงงงนายยินนายยิงเห็นอะไรยังไงทำไมไม่บอกนานอินฟังมากไม่ต้องบอกหรอกพรุ่งนี้จะพาไปชี้ให้ดูเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงและตรงไหนรันบอกเพียงแค่นั้นก็มาเอ็นกายลงนอนที่ของตนตำแหน่งใกล้ๆ ก, ก, กับพี่ชายกลาง ยังไม่หลับตาแต่มองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนเพดานถ้ำอันมืดมิดนานอินนัทพอมองเห็นหล่อนเข้าประจำที่นอนแล้วก็ลากไรเฟินและเครื่องมนือนของแกเอาไปนอนดากขวางทางปากทางเข้ากําลังนอนครุ่นคริตพี่ชายกลางผู้ซึ่งเข้าใจว่าหลับไปนานแล้วก็ใช้นิ้วสกิดมาที่ต้นแขนพอหันไปก็เห็นเขาลืมตาจ้องหน้าอยู่แล้วยังไม่หลับอีกหรือครับพี่กลางก็หลับหลับตื่นๆ อยากดูเหมือนกันว่าน้อยจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานสักเท่าไหร่ยกมือขึ้นปิดปัดชายแขนเสื้อดูนาฬิกา45นาทีกับ34วินาทีพอดีนับตั้งแต่จุดทูบเสร็จและไปนั่งทําท่านั่งวิปเป็นนักวิปัสสนาอยู่ตรงพังอยู่ตรงปากโพรงถ้านั่นก็แปลว่าพี่กลางไม่ได้หลับเลยคอยจับสังเกตน้อยอยู่ตลอดเวลา นอนได้เซ็ทีมั้งมาลืมตามองเพดานถ้ำอยู่อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพี่ชายตัดบทมาที่กลางจะหลับก็หลับเถอะค่ะอยา่ากังวลอะไรกับน้อยเลยพี่ชายสองคนมีน้องสาวสุดท้องอยู่คนเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่มีกังวลด้วยก็คงไม่มาเหนื่อยยากเสี่ยงชีวิตอยู่ด้วยอย่างนี้หรอกน้อยอาจไม่รักพี่เท่ากับรักพี่ใหญ่ครับแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าพี่คนนี้ก็รักน้องสาวไม่น้อยกว่าพี่ชายคนโตเหมือนกัน แม้ว่าจะไม่อ่อนโยนหรือเอาอกเอาใจเท่าพี่ใหญ่เขาก็ตามคำพูดชนิดนั้นทำให้หลอนหันไปกอดพี่ชายกลางไว้แน่นพูดเสียงเครือน้อยก็รักพี่กลางไม่น้อยไปกว่าพี่ใหญ่หรอกคะ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่รักไม่ห่วงก็คงไม่ไปตามพี่กลางกลับมาหรอก น้อยเป็นคนสั่งให้พี่ใหญ่ออกตามพี่กลางตอนที่หายสาบศูนย์ไปนะคะตอนนั้นพี่ใหญ่กับพี่กลางกำลังหมางใจกันอยู่ด้วยอะไรก็ตามที่น้อยอาจแข็ง ก, ะกระด้างก้าวร้าวดื้อดึงกับพี่กลางไปแล้วน้อยกราบขออภัยด้วยอนุชาเวลาลิตรูปศีรษะน้องสาวอย่างเอ็นดูเอาละพี่เข้าใจเราก็มีกันอยู่เพียงสามคนพี่น้องเท่านั้นแล้วก็ใช้ยันอีกคนหนึ่ง ที่เปรียบเหมือนญาติสนิทเพื่อนตายสี่ชีวิตของเรานี่ใครทุกข์อีกสามคนก็ทุกข์ด้วยใครสุขอีกสามคนก็สุขด้วยพี่เห็นอาการของน้อยคืนนี้แล้วพี่ไม่สบายใจเลยน้อยจะไม่ทำอะไรให้พี่กางต้องกองังวลไม่สบายใจอีกเลยขอให้สัญญาดีเรารู้ตัวกันล่วงหน้าแล้วว่าเราจะมาสู่ความลำบากยากแค้น ด้วยกันในการติดตามระพินครั้งนี้ไม่ใช่ลำบากเสียเฉยอัึงตายได้ง่ายๆและมีเปอร์เซ็นต์ตายมากเสียด้วยแล้วธุระอะไรที่เราจะต้องมาสร้างกังวลให้หัวใจมืดมัวทุกหนักลงไปอีกสร้างกำลังใจของเราให้เข้มแข็งเอาไว้เป็นทุนต่อสู้กับพิบัติภัยอันตรายที่จะมาถึงเราดีกว่าน้อยตระหนักดีค่ะว่า จะไม่มีพี่หรือเพื่อนใดๆประเสริฐไปกว่าพี่ใหญ่พี่กลางและชัยันอีกแล้วทั้งสคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ร่วมทางมากับน้อยและมีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรัง้งจากตัวน้อยไว้เพื่อไม่ให้มาในครั้งนี้ก็ได้แต่ทุกคนก็ไม่ขัดใจน้อยเลยเพราะความรักอยากจะเอาใจน้อยใช่นั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งนอกจากตัวน้อยเองแล้ว พวกเราทุกคนก็รักและเป็นห่วงระพินเสมอเด็เพื่อนตายคนหนึ่งจึงไม่อาจนิ่งดูได้หรือแค่เฉพาะรอฟังข่าวเขาอย่างเดียวเท่านั้นมารู้ว่าเขาต้องเดินทางมายัางไม่มีอนาคตแบบนี้ดารินนิ่งซึมไปครู่พริกตัวกลับไปนอนหงายตามเดิมมือยังจับฝ่ามือของอนุชาหรือพรานชดไว้แน่นพี่กลางคะหือ พอจะฟังสมมุติฐานเดาเรื่องราวที่น้อยจะพูดถึงเหตุการณ์ทีนเกิดขึ้นยังบริเวณหน้าผาตะเคียนทองนี้ได้ไหมคะสมมุติฐานค่ะเอาว่าเป็นเรื่องสมมุติเดาเหตุการณ์หรือคาดคะเนไปพลางๆก่อนก็แล้วกันอนุชาขยับตัวแล้วเปเรไฟแช็คก็สว่างวาบขึ้นเขาเริ่มจุดบรี่ลองว่าไปสิดีเหมือนกันคุยกันไปเรื่อยๆมันก็คุงจะง่วงแล้วหลับไปเองได้ ระพินกับพวกนั้นพร้อมทั้งเรียง3คนโดยมีคนหนึ่งบาทเจ็บออกเดินทางจากป่าภัยมาถึงที่หมู่บ้านตะเคียนทองในเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่หยุดค้างคืนตรงตำแหน่งที่ประท่ากับโขงช้างบริเวณป่าภัยนั่นแหละค่ะก็เรียง3ามคนคนหนึ่งบาทเจ็บอนุชาทวนคำข้าก็จะหลักฐานที่เราพบการเยียวยาที่ป่าภัยก่อนจะถึงตะเคียนทองนี่แหละ คนบาดเจ็บนั้นถูกกระทิงเหยียบถักทากหน้าท้องเปิดไส้ไหลมีการเย็บแผลรักษาพยาบาลกันที่นั่นทําให้การเดินทางหยุดชงงะงักทั้งๆ้ที่ออกเดินจากโผลน้ําร้อนมาได้นิดหน่อยทั้งสามกรเหรี่ยงเป็นรูปบ้านของหมู่บ้านจะเคียนทองนี่แหละกําลัองอยู่ในระหว่างนี้โคชภยัยสวนทางกับพวกระพินที่บายหน้าขึ้นมาพอดีคนที่ถูกเหยียบไส้ทลักแต่ไม่ตายเพราะระพินขอร้องให้ฝ่ายอเมริกันช่วยไว้ซึ่งเสอืออง ชื่อสเสอิงส่วนเพื่อนอีกสองคนก็ปลอดภัยดีชื่ออูถะกับพาโต้อดีตพรานชดหันหน้าควับดูน้องสาวผู้นอนผู้ช้าช้อูเหมือนจะเป็นการรำพึงในทันทีทํามตำาๆเสียงเป็นงานเป็นการขึ้นสมมุติฐานมันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่กว้างกว้างมันคงไม่ละเอียดแบบขนาดมองเห็นชัดกับตาถึงขนาดรู้จักชื่อได้หรอก น้อยไปรู้ได้ยังไรว่ามีเกรียงสามคนคนนึงชื่ออูฐะอีกคนชื่อพระโตและคนที่ครอหร้ายถูกกระทิงเหยียบชื่อสเสอเินน้องสาวนิ่งไปกึ่งอึดใจและบอกแผวเบาต่อมาว่าก็คิดว่าเป็นชื่อสมมุติไปก่อนก็นแล้วกันค่ะเอาละแล้วยังไงต่อไปตอนนี้พี่คิดว่าพี่มีง่วงแล้วนะอนุชาพูดโดยเร็วดารินปล่อยมือข้างหนึงที่กำฝ่ามือพี่ชายไว้แน่นนั้นออก และยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าตนเองซึ่งบัดนี้เย็นชื้นไปด้วยละอองไอของน้ำค้างขณะที่หลอนออกไปนั่งอยู่ตรงปากโครงถ้าก่อนจะกลับเข้ามานั้นกล่าวแผวบาวต่อมาด้น้ำเสียงฟังดูเลื่อนลอยคล้ายคนที่ตกอยู่ในห่วงผวังต่อมาว่าพวกเขาพากันเดินทางมาถึงหมู่บ้านตะเคียนทองโดยการนำเอากเกรียงสามคนติดขบวนมาด้วยคนที่บาดเจ็บถูกหามใส่แคร่มา เมื่อมาถึงเขากพบกับสภาพของหมู่บ้านแหลกพินาศเป็นแปรงไปด้วยการบุกเข้าทําลายของโ ข, ง, ขงช้างผีสิงมันอย่างที่เราพบกันแล้วเมื่อตอนเย็นนี้ทศนาที่เราพินมาถึงนั้นกองทัพช้างได้บุกเข้ามาทําลายหมู่บ้านสดสดร้อนๆห่างเพียงแค่ไม่เกิน 3- าสวันก่อนที่เขาจะมาถึงเท่านั้นและได้พบกับซากศพที่หนีไม่ทันถูกช้างฆ่าต้นนีและ น, ะนาดเกลื่อนไปหมดหัวหน้าหรือนายบ้านที่ชื่อโบเมียได้รวบรวม พักพวกที่เหลือตาจากการบุกทำลายของช้างร้ายโคลมนี้ละทิ้งหมู่บ้านถอยขึ้นมาอาศัยเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่บนหน้าผาตำแหน่งที่พวกเรามาอาศัยนอนกันคืนนี้แหละเพราะไม่สามารถจะอยู่ตามพื้นที่ซึ่งช้างจะสาสามารถจะบุกเข้ามาลังควานได้จึงตง้องหนีเข้ามาอาศัยอยู่ตามซอกหน้าผาชันซึ่งเป็นจุดจะทําให้รอดพ้นภัยอยู่ได้แต่ก็ลําบากมากไม่สามารถจะทํามาหากินกันได้ตามปกติ ทิ้งซากปรหาหักพันของบ้านเรือนและศพของพวกตวนไว้ตรงนั้นจนกระทั่งคณะของระพินมาถึงก็แปลว่าในการอดาวของน้อยหมู่บ้านตะเคียนทองถูกทำลายแหลกไปก่อนแล้วระพินกับพวกมันจึงเดินทางมาถึงที่นี่ถ้าพวกลูกบ้านก็เจอกระเจิงหนีก็ออกไปรอบทิศ3ามคนไปพบกับคณะระพินนั่งอยู่ในระหว่างจะเพนนี้ลงไปยังหมู่บ้านซับบอนก็จะนําข่าวเกี่ยวกับช้างโขงไอ้งาดํา ที่เข้ามาอาราวาสเดินทางไปบอกแกระพินซึ่งขณะนั้นทุกคนเข้าใจว่าเขายัางอยู่ที่หนองน้ําแห้งแต่บังเอิญมาเป็นเวลาที่แระพินเดินทางสวนขึ้นมาพอดีและพบกันโดยบังเอิญคนที่ชื่อเสงอึงถูกกะทิงเหยียบเอาไส้ไหลพี่กลางพอจะฟังการตัดต่อลำดับภาพของน้อยได้ถูกไหมคะเท่าที่พูดให้ฟังมานี้อนุชาเป่าควันปรีสูงไปด้านบนบอกตำต ำ, ตำเอาละพอจะมองเห็นภาพตามที่น้อยว่านี่แล้ว เพราะมันสอดคล้องกันยังไม่มีอะไรขัดแย้งจากเหตุการณ์ที่เราตามมาพบเห็นโดยหลักฐานขอทำความเขาเ้าใจอีกครั้งว่าที่น้อยพูดนี้เป็นการอนุมาหรือสมมุติเอาเท่านั้นนะคะพี่เข้าใจว่าต่อไปสิพระพินผ่านหมู่บ้านพินาศขึ้นมาทันทีแต่ตามมายังหน้าผาตะเคียนทองแผ่นนีพ้พวกที่หนีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่วันนี้ก็คงเป็นธรรมดาที่จะต้องสอบซารู้ความว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นอย่างไร พวกเกเียนตะเคียนทองยังคงมีที่หลบพักอาศัยอยู่บนซอกโพรงหน้าผานิ้ตามเดิมส่วนคณะของระพินปักหลักหยุดพักคุมเชิงตรงบริเวณลานใต้หน้าผานี่เป็นการพักชั่วขณะโดยยังไม่เดินทางต่อในคณะที่เข้ามาพักอยู่ตรงที่ยังตรงนี้ยังวันอยู่มากออกคำสั่งให้พรานพื้นเมืองของเขาและเกลียนตะเคียนทองจานวนหนึ่งย้อนกลับไปยังหมู่บ้านรางอันไม่ห่างไกลนะ จัดการค้นหาสเสบียงเท่าที่จะขนมาได้จากซากบานพังเหล่านั้นให้นาเอาศพเน่าเฟ้ของพวกเคราะร้ายมากองรวมกันเผาเสียงให้หายอุจจาราเมื่อเรามาถึงเราจึงพบเข้ากับกองไฟและกองกระดูกที่มีรอยถูกเผาโบมีอะไรพวกที่เหลือตายดีใจที่เห็นละพิน์กับคณะเดินทางมาถึงที่นี่อย่างน้อยการมาถึงของพลานใหญ่ที่ทุกคนต้องการและรอคอยอยู่ก่อนแล้วมันก็สร้างความอบอุ่น เป็นหลักประกันขึ้นได้ท่ามกลางการถูกหลังควานหนักของโขงช้างอันมีพฤติการโหดเที่ยมผิดประจักษธรรมชาติช้างป่าปกติสามันทั้งสองฝ่ายที่พบกันก็ยังคุงแบ่งกันอยู่เป็นสองพวกเขพว ก, กเกรียงหนีตายกระพินปไปอาศัยหลับนอนอยู่บนหน้าผาตามเดิมส่วนพวกเขาปะกลักคุมสถานการณ์กันอยู่ยังเนินข้างล่างสมพาระต่างๆที่ติดตัวมาด้วยนั้นคือความปลอดภัยกระพินกับฝรั่งพวกนั้น สั่งให้ทยอยนําขึ้นไปเก็บซ่อนเพื่อความปลอดภัยยังโครงบนหน้าผาอันเป็นตำแหน่งพักซ่อนตัวของพวกกรเรียงรีภัยทันทีฝ่ายตนคงมีแต่สิ่งของที่ไม่จําเป็นและมีค่านะพักแรมคืนอยู่ที่นี่ที่ตีนผาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประจันหน้ากับโครงช้างผีสิงถ้าหากว่ามันจะบุกขึ้นมาเล่นงานในเวลากลางคืนทุกคนพร้อมที่จะรับศึกใหญ่ถ้ามันบุกเข้ามาในเวลาใด แต่ถ้าต้านไม่อยู่ก็ยังมีโอกาสาที่จะถอยหนีขึ้นหน้าผาซึ่งพวกกระเหลี่ยงไปยึดอาศัยอยู่ก่อนแล้วเป็นการยึดชัยภูมิที่ถูกหลักที่สุดในการรับมือพร้อมทางหนีที่ไรก็แปลกดิที่น้อยดาเหตุการณ์ปริศนาที่เราตามมาพบภายหลังนี้ได้ยังกระตาเห็นงนั้นแหละท้างันละพินกับคณะก็ต้องพักแรมคืนที่ตีนผา น, นี่งคืนไม่ใช่หนึ่งคืนหรอกค่ะแต่เป็น2คืนจนซ้อน กับแทบจะอีกหนึ่งวันเต็มๆของการมาพักอยู่ที่นี่เพราะมันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นซะก่อนทำให้เกิดการชะงักกันอยู่ที่นี่นานเกินกว่ากาหนดเดิมฝั่งน้อยประติปไปต่อเหตุการณ์ต่อไปนะคะว่าไปคืนที่มาถึงภายหลังจากการตระเตรียมแผนการเรียบร้อยป้เกรีเียนขึ้นอาบนหน้าผาแล้วทัาพินและพวกเขาทุกคนยุดิที่นอนเตรียมพร้อมอยู่ข้างล่างคนเจ็บที่ชื่อสเสออยัง อู่ในหวังต้องรักษาเยียวยาให้น้ําเกลือแทนอาหารถูกสั่งให้แบกขึ้นมานอนอยู่ในครัหาถ้ำลูกเมียของตัวอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลอนเว้นระยะอามือตกลงกับพื้นหินที่นอนอยู่ก็โรงถ้าแคบๆที่เราซีคนกําลังนอนอยู่เดี๋ยวนี้นลยคะ่ะเออร์ถูกส่งเขามานอนอยู่บนนี้ในคืนนั้นรุชาพงกตัวขึ้นทันทีมองไปยังเส า, าน้ําเกลือที่ ด, ดารินยังคงปักว่าอยู่ในลักษณะเดิมเธอหมายถึงว่าเส า, าน้ำเกลืออันนั้น ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ต่อไปเอิงไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้แต่เข้าไปนอนรับการรักษาอยู่ในซอกลึกเข้าไปอย่างตำแหน่งที่พี่ใหญ่และชา ย, ยันนอนอยู่เดี๋ยวนี้นั่นแหละเฉพาะคืนนั้นระพินยังไม่ได้ขึ้นมานอนเจ็บอยู่บนนี้เ้าเพียงแต่ขึ้นมาเยี่ยมดูอาการคนเจ็บในตอนหัวค่าพร้อมกับหมอเบลแล้วก็กลับลงไปพี่ชายกลางคราวนี้จ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบ พ, พี่สงสัยเสียจริงน้อยเอาเรื่องราวเป็นตัวเป็นตะเหลา่านี้มาพูดได้ยังไง มันก็เหมือนตลับวิดีโอเทปที่บันทึกเหตุการณ์ไว้นั่นแหละค่ะบันทึกไว้ในขณะที่เราไม่อยู่ไม่เห็นเหตุการณ์สดๆและเมื่อเราต้องมาดูเราก็ปลอเทปกลับเปิดถ่ายทอดเข้าเครื่องโทรทัศน์ให้ภาพมันปรากฏออกมามเพื่อเห็นเสียดายแต่เพียงว่าในบางเหตุการณ์นั้นเครื่องบันทึกเทปมันไม่ยอมจะบันทึกภาพไว้ให้เห็นเท่านั้นโดยอาจเห็นว่าไม่จําเป็นและไม่ประสงค์จะให้น้อยได้รู้เหตุการณ์เฉพาะตอนนั้นๆก็ได้ อย่างเช่นตอนที่เราพินกับเบลขึ้นมาเยี่ยมสเสอรและกลับลงไปด้วยการเหตุการณ์ตอนนั้นน้อยสงสัยว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ภาพแม่ยอมปรากฏ ต, ตัดภาพออกมา ท, ทีทั้งสองก็ลงมาถึงแคมข้างล่างตีนผาใจและเหมือนเหมือนหนังที่ถูกกันไกลของกองเซนเซอร์หันออกนั้นแหละอนุชาเอื้อมมือมาแตะที่หน้าผาของน้องสาพึ่พัว่าน้อยไม่สบายหรือเปล่า หนจับมือพี่ชายออกน้อยสบายที่สุดไม่ได้เป็นอะไรเลยและที่พูดนี้ก็ไม่ได้เพอ้อจะฟังต่อไหมคะถ้าเห็นว่าไร้สาระน้อยก็จะหยุดละ่ะพูดต่อไปพี่จะฟังให้จบสิ้นข้อความทีเดียวพี่ชายกลางกราวออนโยนย่างเอาใจดารินเปิดตาดารินตาเปิดสว่างโพรน มองอย่างปราศจากความหมายไปยังเพดานหินดํามืดเหมือนจะทบทวนความในสมองคืนนั่นเองภายหลังจากที่เยี่ยมคนเจ็บที่นําขึ้นมาไว้บนที่ปลอดภัยเสร็จระพินกับแม่ผมแดงลงไปยังพักพวกข้างล่างทุกคนเตรียมพร้อมพวกนายจ้างนอนกันอยู่เป็นกลุ่มระพินมีการประชุมคนของเขาแล้วก็าหนดหน้าที่สั่งให้ก่อกองไฟ ดักไว้ล้อมรอบที่พักของนายจ้างอเมริกันแล้วจะเป็นได้สังหอนเลือดอะไรไม่ทราบยก็เองได้ออกมานอนนอกอาณาบริเวณของที่พักนอกเขตกองไฟไปนอนดักทิศทางด้านนอกอยู่ตอนลำพังคนเดียวตรงทางด่านที่จะลงไปสู่ลําธารน้ําต่ําลงไปบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่พวกเราเดินผ่านกันขึ้นมาแล้วเมื่อตอนเย็นนี้ การออกไปนอนดักอยู่นอกอนาบริเวณพวกเราที่คุ้นเคยกับนิสัยของเขาเมืฟอก่อนย่อมจะต้องรู้กันดอยู่แล้วว่าเขามักจะทําอย่างนี้เสมอถ้าหากเกิดสงสัยหรือประสงค์จะดักจับรหัสอะไรเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีวิชาอาคมพอที่จะกล่าวทำเช่นนั้นได้พวกนายจ้างทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วไม่มีใครรู้ว่ากระพินแอบออกไปนอนดักอยู่นอกบริเวณที่ล้อมกองไฟไว้ยังปากทางด่านด้านต่ําลงไปหลอนหยุด ถอนใจในอาการสะท้อนและหลับตาลงกายสั่นสะท้านเป็นลลอกอนุชาหันไปดินบรันดีจากกระติกใส่ฝาประมาณหนึ่งเปกและส่งไปให้รับมาดื่มรวดเดียวหมดดึงกายขึ้นนั่งอีกครั้งน้อยไม่อยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้เลยมันหวาดเสียวเหลือเกินเล่าไปเถินน้อยที่จะไม่ขัดข้องอะไรที่จะไม่ขัดอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้นนอกจากว่า ถ้าเหตุการณ์ที่น้อยเล่ามันไม่กระจ่างอย่างไรที่จะขอถามบ้างเท่านั้นอย่าหาว่าน้อยเพอ้อบ้าอะไรไปนะคะขอรับรองว่าจะไม่คิดอย่างนั้นประพินออกไปนอกแคมป์ไม่ยอมให้ใครตามออกไปด้วยเลยแม้แต่บุญคํามันเป็นคนสนิทที่สุดของเขาสั่งแต่เพียงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆขึ้นขอให้ทุกคนยิงต่อสู้ ป้องกันแคมไว้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาอย่างไรทั้งสิ้นเกิดเจิยจันและบุญคำรู้มือเจ้านายดีอยู่แล้วไม่มีใครกล้าคัดคำจังเขาตกเดึกของคืนนั่นเองไอ้มันไตรกับพวกผีดิบบริวารของมันจะเข้ามาก่อบควรเล่นงานทันทีมันทั้งหลอกหลอนและเจตนาจะเข้ามาประจุบัร้าย ต, ต่างๆนนฮนะ ก็ตื่นตื่นขึ้นมาทาันก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อภาพที่น้อยเห็นทางกระแสะจิตนั้นน่าสยดสยองมากค่ะแล้วมันก็เริ่มลอกห้อยออกติดตามไปนในตอนกลางดึกนั่นเองจุดประสงค์ก็คือจะเอาไปเข้าสู่จุดมรณะประการหนึ่งกับจะดึงเขาให้ห่างพ้นจากบริเวณแคมป์ออกไปเสียเพื่อจะได้ใช้กองทัพทางผีสิงเขาเหยียบขยี้กลุ่มพานพานพื้นเมือง ลูกหาเไปลไนหนจ้างอเมริกันพวกนั้นที่แหลกลงทั้งหมดระหว่างที่ละพินหลงกลตามันไปในป่ากลางดึกนั่นเองพวกในแคมป์หลับกันหมดไม่มีใครรู้สึกตัวหรือเฉลียวคิดเลยแล้วมันไตรก็ล่อระพินให้ตามมันข้ามฟากผ่านไปยังเนินเขาอีกลูกหนึ่งไม่ห่างไกลนะโดยเส้นทางนะั้นจะต้องผ่านเหวๆ ห, หนึ่งซึ่งมันเอากิ่งไม้เปราะๆมาบังอำพรางไว้ รพินแทรู้เสียทีมันเยียบลงไปบนปากเหวที่พลางไว้ร่างของกุงลนหายวับลงไปในเหวนั้นแล้วยังไงต่อไปที่ใช้กลางถามเร็วปือไม่ได้เห็นเป็นเรื่องไรสาระอีกต่อไปภาพตอนนี้มันเหมือนภา พ, พยนตร์หรือโทรทัศน์ที่ตัดตอนชั่วคราวค่ะย้อนกลับเห็นภาพภายในแคมป์ทักของพวกอเมริกันที่พรานสี่คนของรพินดูแล ร, รับผิดชอบอยู่ พอมันรอจังหวะหลอกกระพินไปตกเหวแล้วพวกมันก็เข้าเล่นงานโจมตีทางด้านแคมป์ในจ้างทันทีโดยส่งไอ้พวกผีดิบเข้ามาก่อนบุญคำจันท์เกิดและเสยตื่นขึ้นไอ้พวกนั้นก็ถึงตัวแล้วกดเอ้าโวยวายและยิงกันสนั่นขึ้นพวกในจ้างอเมริกันและทาหารไทยที่ชื่อเชิดวุดนั้นตกใจตื่นขึ้นก็พบว่ากองทัพช้างนับไม่ถ้วนบีบล้อมเข้ามารอบด้านแล้ว การยิงปะทะต่อตู้เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายโกลหนไปหมดทุกคนละจำละสายไปทั่วแลว้วบุตรวิจะเสียชีวิตแลว้วกองทัพท้างผีดิบเหล่านั้นไม่ยอมถอยเลยคงหนุนเนื่องเข้ามารอบทิศหมายจะเอาชีวิตให้ได้ที่ล้มก็ล้มไปที่ดันก็อยู่เบื้องหลังนับไม่ถ้วนเหยียบย่ํำซาก ข, ของมันกันเองบุตรกระลุยดาหน้าเข้ามามีไอ้ผีดิบนั่งบังคับมาบนคอช้างด้วย จนถึงกับต้องใช้ระเบิดมือคว้างสกัดแต่ก็หยุดยั้งมันไม่ได้ทุกคนเรียกหาระพินแต่ไม่มีใครเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้ำกลางมังหันตะไพยนั้นในที่สุดบุญคำก็ต้อนพวกนายจ้างและลูกหาบทุกคนให้หนีขึ้นหน้าผาเป็นตำแหน่งที่ระพินกำหนดไว้ให้แล้วในกรณีถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเกินกว่าที่จะจัดดานไม่ได้ ทุกคนทิ้งแคมพักถอยหนีขึ้นหน้าผาทั้งหมดยัางวูดวิดในคืนนั้นระดมยิงแล้วก็นำยิงออกมาได้ระเบิดมือแคมที่พักนอนเล้วแหลกที่นาดด้วยการบุกเข้ามาแล้วก็ตลอดคืนนั้นทั้งหมดทุกคนก็ถอยขึ้นไปรวมตัวอยู่กับพวกกะเหลี่ยงบนหน้าผาแห่งนี้ทิง้งซาก ข, ของช้างที่ถูกยิงถูกระเบิดตายกระเดื่องเรือนอย่างที่เราตามเห็นซากเรือนระเนระนาดไปหมด ทุกคนรู้แต่เพียงว่าประพินหายไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการต่อสู้เลยในขณะที่กองทัพช้างบุกเข้าโจมตีสอบถามใครก็ไม่มีใครรู้แล้วก็บอกได้นอกจากบุญคำคนเดียวที่จะให้รายงานกับพวกนายจ้างอเมริกันว่าก่อนหน้าเกิดเหตุระหว่างนอนพักนั้นประพินออกไปนอนดักอยู่นอกบริเวณแคมป์ทางด้านจะนำสุลาทาง แล้วในคืนนั้นพวกนั้นทุกคนจะหนีรอดเข้าไปอยู่บนหน้าผาที่ช้างไม่สามารถจะไต่ตามขึ้นไปทําร้ายได้แล้วพวกมันก็เข้ามายึดเต็มสถานที่ไปหมดล้อมอยู่เบื้องล่างส่งเสียงแผดร้องขู่คำราลั่นไปทั้งหน้าผาทั้งคณะรวมทั้งกเกรียงตะเคียนทองที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วไม่มีใครหลับนอนกันทั้งคืน นับแต่ช้างเข้าโจมตีจนกระทั่งรุ่งใกล้รุ่งพวกมันจึงแปรถอยไปหมดทิ้งแต่ซากที่ถูกฆ่าตายนับไม่ถ้วนกองเป็นภูเขาเลากาอยู่เมื่อนั้นเองฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะลงมาตามดูร่องรอยของรพินโดยสั่งให้บุญคำและพรานทั้งสามนำทางลงมาบุญคํานําพวกนายจ้างให้ตรงไปยังตำแหน่งที่เคยเห็น เจ้านายมานอนดักอยู่ก่อนแล้วก็พบร่องรอยของระพินติดตามอะไรชนิดหนึ่งจึงแกะรอยกันต่อไปในที่สุดก็ฟ้าสางและมาพบเข้ากับเผลที่ระพินถูกไอ้ผีดิบมันใจเล่าให้หล่นลงไปในนั้นดารินเว้นระยะเอานิ้วขีบที่สันจมูกขณะที่ก้มหน้าลงอนุชาฟังอย่างตะลึงงงงันเอื้อมมือมาเขย่าไหลเบาๆเร่งมาว่า เล่าต่อไปสิน้อยนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดไม่คาดฝันลดดาวกันได้มาก่อนเลยกลุ่มที่ติดตามไปก็คือกลุ่มของนายจ้างทั้งหมดกับพรานคู่ใจของละพินทั้งสี่คนรอยเหยียบกิ่งไม้ที่สะพางไว้บนปากเขียกและพลัดร่วงลงไปมองเห็นได้ถนัดพวกพรานพื้นเมืองช่วยกันลื้อกิ่งไม้แห้งที่สะไว้ออก ก็มองเห็นโพรงเหวชัดเจนทั้งหมดเห็นระพินร่วงลงไปอยู่เกือบจะครึ่งทางของความลึกของเหวร่างกายติคาอยู่กับสายของเทวันแน่นิ่งเหมือนคนตายพวกคนตกใจที่กลางทายถูกไหมคะใครเป็นคนไต่เชือกลงเอาตัวระพินขึ้นมาประโยคหลังหล่อนถามพี่ชายเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือ โดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นเกิดเจยจันหรือบุญคำกระมังดารินสันซิสะแม่ผมทองคริสติน่าค่ะหล่อนตัดสินใจได้ก่อนทุกคนปูกโยงร่างตนเองติดไว้กับโคนไม้อย่างมั่นคงที่สุดแล้วโรยตัวตามสายเชือกใต่เหวลงไปหล่อนเป็นคนกล้าหาและฉับไวมากสังให้บุญคำตามหลังลงไปอีกคน โดยให้นำสายเชือกสำรองอีกเส้นหนึ่งลงไปด้วยพอลงไปถึงริสตินาก็ตรวจพบว่ารพินยังไม่ตายแต่สตบักสบอมบอบช้ำมากไม่ได้สติจึงเอาเชือกคล้องใตลักแร้ทั้งสองด้านของเขาโดยผูกอย่างแข็งแรงที่สุดช่วยกันสองคนกับบุญคำและส่งสัญญาณให้พักพวกที่รออยู่ด้านบนสาวชักอกรพินขึ้นมาจากเขวตัวเองไตประกบคู่ โดยผลักประคองล่างเขาไม่ให้กระทบคู่กับแง่หินของขอบเหวจนกระทั่งสามารถนำตัวรพินขึ้นมาบนเหวโมรณะนั่นได้อนุชาลืมตาโพรงเป่าลมออกจากปากดารินกล้ามกลืนอะไรบางอย่างลงลำคออันแห้งฝืดกล่าวต่อไปร่างของเขาโถขามกลับมาอย่างแคมป์ซึ่งเกลื่อนไปด้วยซากทางที่ตายยับแล้วการปฐมพยาบาลก็เริ่มกันขึ้นอย่างรีบด่วน วิทยาศาสตร์การแพทย์ของฝ่ายอเมริกันดูจะสิ้นหวังแต่บุญคำรีบไปหาสมุนไพรชนิดหนึ่งมาตำกับเล่าและกรอกปากและพินจึงฟื้นขึ้นมาอย่างกระโปรกกระเปรียและอาเจียนออกมาเป็นโลหิตเพราะความช้ำในที่ตกลงไปกระทบลากับแง่หินที่ปล่องเหวนั้นพออาเจียนจนหมดทั้งเบลและทิสติน่าจึงรักษาต่อเขาถูกให้น้ำเกลือทันทีและนอนสมสติครึ่งครึ่ง ก, กลางกลงอยู่ทั้งวัน ตรงบริเวณแคมป์อันเต็มไปด้วยซากช้างนั้นทุกคนหาทางช่วยกันอย่างเต็มที่เขามารู้ตัวแน่ชัดอีกครั้งก็ตอนเย็นของวันนั้นอาการอยู่ในเกณฑ์สาหัสทีเดียวพอใกล้ค่ำหัวหน้าคณะคือด็ตอร์สแตนดี้ก็สั่งให้ทั้งหมดเคลื่อนย้ายขึ้นไปอาศัยสาะซอกโครงบนหน้าผานี่เป็นที่หลบภยัยเพราะเกรงว่าไอ้สองทัพช้างผีสิง หวนมาโจมตีซ้ำร่างของรพินถูกนำความาอาศัยนอนพักอยู่ในถ้ำนี้แหละ่้ำเดียวกับกระเรียงที่ชื่อเสะเอิงนอนเจ็บอยู่ก่อนอาการของกระเรียงดีขึ้นแล้วแต่รพินยังหนักเขาได้รับคำสั่งให้น้าเกลือและพยายามกันอย่างเต็มที่ต่อไปชุดรับหน้าดูแลพยาบาลเขาในคืนนั้นคือลิสติน่านั่นเอง และมานอนอยู่ตรงนี้ตรงที่พี่กลางและน้อยนอนอยู่นี่แหละค่ะซึ่งมันก็ตรงกับถาหลักฐานที่พี่กลางและลุงอินมาค้นพบทุกอย่างเหตุการณ์หลักฐานมันมาบรรจบกันได้พอดีแล้วหลอนเงยหน้าขึ้นเอื้อมมือไปจับกิ่งไผ่ที่ปักอยู่ใกล้ตัวใช่แล้วนี่คือเสาน้าเกลือและหนังเก้งอันนี้ก็คือที่ปูนอน ซึ่งคริสแอบเขียนข้อตามเชิงกวีเอาไว้ด้านหลังในตอนดึกระหว่างระพินหลับเรากำลังนอนทับรอยของเขาทั้งสองในคืนนั้นไม่มีอะไรผิดไปแม้แต่สักอย่างเดียวความเงียบปกคลุมระหว่างพี่น้องไปนานทีเดียวตลอดเวลาอนุชาพินิจ ด, ดูน้องสาวตาไม่กระพริบเขาจ้องเอาอย่างจริงจังๆเหมือนจะค้นหาอะไรออกมาให้ได้ ว่านหลอนประมวลเหตุการณ์เหล่านี้ออกมาได้อย่างไรในที่สุดก็พึมทาออกมาว่าเป็นการลำดับภาพที่มีเหตุผลและเท่าเข้ามากน้อยแต่มันเลื่อนลอยมากใช่ไหมคะในความคิดของพี่กลางในขณะนี้เอา เ, อเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงตามที่น้อยเดานี่หรือไม่พรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางจากที่นี่น้อยจะนาพวกเราไปพบเพน กับเขียวที่ระพินถูกหลอกให้ตกลงไปโชว่าหลักฐานยังคงหลงเหลืออยู่แน่ๆมันไม่ห่างจากหุบผาตะเคียนทองนี่สักเท่าไหร่หรอกน้อยแน่ใจจะนําไปได้อย่างถูกต้องแม่นยําที่สุดหล่อนกล่าวอย่างมั่นใจคราวนี้ให้พี่ถามน้อยบ้างเห็นน้อยเป็นนั่งเหมือนจะเข้าฌานอยู่ที่ปากโพรงถ้ำนั่นพักใหญ่แล้วก็สามารถรู้อะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมด อธิบายให้พี่ฟังหน่อยซิว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเรียกว่านิมิตหรืออะไรน้อยก็บอกไม่ถูกค่ะแต่ขอสารภาพตามตรงว่าขณะที่น้อยนั่งภาวนาอยู่นั้นน้อยขอบารมีองค์มหารุษีโกนทันยะมาปกกล้าปกเกศเพื่อจะขอทราบเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยปริศนานี้ท่านก็มาให้น้อยเห็นและเปิดโลกย้อนหลังชี้นาให้น้อยได้มองเห็น สิ่งที่มันได้ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับตัวระพินท่านผู้อนุญาตเทพที่ปกครองคุนเขาแห่ง น, นี้จึงนาน้อยไปได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเท่าที่จะให้น้อยรู้ได้น้อยอาสร้างภาพไปเองก็ได้แต่จัดหลักฐานที่สำคัญก็คือถ้าพรุ่งนี้เราไปพบเหวที่ระพินล่นลงไปก็แปลว่าสิ่งที่น้อยพูดมาทั้งหมดนี้ควรจะถูกต้องทั้งหมด น้อยแน่ใจว่าจะนําทางไปถูกหรือแน่ใจค่ะเพราะที่นิมิตไปนั้นมองเห็นทางโดยตลอดทีเดียวคิดทางไปทางด้านไหนภูมิประเทศเป็นอย่างไรและมันก็ไม่ห่างไกลจากที่นี่นะอย่างที่บอกแล้วคงไม่ทําให้พวกเราเสียเวลามากอืมถ้า ง, งั้นพรุ่งนี้เราลองดูก็ได้อนุชาว่าแล้วเหลือบเข้าไปทางซอกโพรงที่เชษฐาชัยยันนอนหลับอยู่ น่าเสียดายที่สองคนนั้นหลับไปเสียแล้วไม่ได้มารับฟังสิ่งที่น้อยเล่านี่ด้วยแต่ไม่เป็นไรเรารู้กันก่อนสองคนและเฉยๆไ้เสียเอาไว้ให้เปพวกเขวที่เราพินตกลงไปเสียก่อนแล้วพี่จะเล่าให้ทั้งสองคนรู้เองว่าการนั่งเข้าสมาธิของน้อยเมื่อกี้นี้ช่วยให้น้อยมองเห็นอะไรบ้างเขาอาจเชื่อหรืออาจไม่เชื่อก็แล้วแต่เขา ก็แต่น้อยมองเห็นภาพเพียงแค่นี้เองหรือรอกลออกไปกว่านั้นละ่ะเป็นต้นว่าตอนนี้แระพินอยู่ที่ไหนหล่อนยิ้มเศร้าเศร้าน้อยเห็นเพียงแค่นี้เองค่ะเพราะได้ให้สัจจะไว้กับมหารุษีองค์นั้นไว้แล้วว่าจะไม่ขอเห็นอะไรมากไปกว่าเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นที่นี่เทวนาเรผู้ปกครองขุนเขาอันเป็นพวกเบิกโลกให้น้อยได้เห็น ก็สกัดด้านการซักถามของน้อยที่นอกเหนือไปกว่านั้นเช่นกันน้อยรู้แต่เพียงว่าหลังเที่ยงไปแล้วของวันรุ่งขึ้นรถบินเข้ายังชั่วมากแล้วจึงนําออกเดินทางต่อแล้วก็ต้อนออกรเรียงตะเคียนทองที่ขึ้นมาใส่หลบหนีความตายอยู่บนหน้าผานี้ให้เคลื่อนขบวนไปด้วยเป็นคารวานใหญ่ทีเดียวอพยพไปจากที่นี่เข้าใจว่ามุ่งเสือร้อง มุ่งห้วยเสือร้องเพื่อนำกระเหลียงเดนตายพวกนี้ไปรวมตัวอยู่กับพวกห้วยเสือร้องซึ่งเรื่องนี้ทั้งที่กลางและลุงอินก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วถ้าเราไปถึงห้วยเสือร้องเมื่ อ, อไหรความมันจะยิ่งกระจ่างชัดขึ้นอีกว่าอะไรมันเป็นอะไรสงสารรับผิดที่มาประสบคอร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอดที่นี่เฉพาะเพียงแค่เส้นทางเดินระยะต้นๆของเขาเท่านั้น แสดงว่าภัยพิบัติมันจ้องเล่นงานเพราะยังหนักที่สุดสิ่งศักว์สิทธิ์ที่ดูแลเขาที่นี่บอกกับน้อยด้วยค่ะว่าเขาและลูกเขาเสียลูกหาของเข้าไปสองคนด้วยฝีมือมันไตรเมื่อตอนที่พักอยู่ยังป่าไผ่ก่อนเดินทางมายังตะเคียนทองนี่หลักฐานเราก็พบแล้วตรงหลุมฝังสดที่เจ้าด้วนพาเราเข้าไปดู เกลียงสองคนที่เขาช่วยชีวิตไว้ยกเว้นคนเจ็บคืออูทาลาพาโต้มาทำหน้าที่แบกของเป็นลูกหาบแทนสองคนที่ตายไปถ้าจะเทียบระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเรายังโชคดีกว่ามากที่ยังไม่เกิดการตายหรือเจ็บสาหัสขึ้นเลยแต่ฝ่ายเขานั้นเจอเข้าแล้วทางฝ่ายเราก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกัน ความพินาศมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดึกมากแล้วน้อยนอนเจ๊เถะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่กล่าวจบพี่ชายดึงไหล่น้องสาวให้เอนลงนอนเป็นคืนแรกที่ดารินวราฤทธ์ต้องอาศัยยานอนหลับแล้วหล่อนก็ฝันร้ายยุ่งเหยิงไปสารพัดเพราะที่จิตใจจะประวัติคิดไปก่อนที่จะมอยหลับมันเป็นฝันเศร้าสลดหดหูบ่บีบคั้นดวงใจเหลือประมาณ ในฝันมีตัวหลอนอยู่เพียงคนเดียววิ่งกระเจิดกระเ จ, เ จ, เ จ, เ จ, เจิงค้นหาระพินในทุ่งหญ้ารอบด้านแวดล้อมไปด้วยคุนเขาทมึนเป็นราตรีสีครามประดับไปด้วยดวงดาวและจันทร์เสี้ยวคนตะโกนเรียกนามเขามีเสียงตอบมาแต่มองไม่เห็นตัวประดังมาจากทางซ้ายประเดี๋ยวแววมาจากทางขวาหลอนวิ่งวิ่งหยุดหยุดมองค้นหาและกูเรียกทุกครั้งมีเสียงตอบ ทั้งว่าคงไม่เห็นตัวอยู่เช่นนั้นกระเซิฟกระเซิงซมซานอยู่เดียวดายในวิเวกปล่าเปลี่ยวอ้างวางนั้นและแล้วกลางทุ่งหญ้ า, ปาเปล่าเปลี่ยวนั้นดารินก็หมดแรงลมปุ๊บลงต่อมาจึงสัมผัสได้กับต่ามืออบอุ่นแตะมาที่ไหล่พลิกประคองขึ้นหลอนเห็นเขาประพินไพยวันกําลังซุดกายโอบตะกองอยู่ได้ร้องเรียกนามเขารล้ผูหวาเข้ากรดรัดไว้แน่น รับทินยอดรักตามผมมาเธอเราจะพบกันนะที่ใดที่หนึ่งแน่นอนถ้าเรายังมีหัวใจรักมั่นคงต่อกันในพบนี้ไม่ก็พบหน้าและภาพนั้นก็ค่อยๆเลือนจางหายไปเกินกว่าที่หล่อนจะยขว้ยยืดกายไว้เขาไว้ได้ในฝันหล่นหมดสิ้นแรงสิ้นหวังหมดกาลังที่จะทรงกายขึ้นมาได้อีกแล้วและบาดนั้น ดีดีลักษ์อันจ้ ง, งานงามแวววับดิเกราะทองคำร่างปรากฏยื่นเด่นอยู่หน้าตรงหน้าแทนที่แงาสายจักรราชของที่หล่นคลางอย่างรันทดอดีตคนใช้ประจำตัวนามว่าแงาสายและอีกในหนึ่งจักรราชแห่งมรกนครแย้มสวนน้อยๆทรงหัดอันแข็งแรงมาให้หล่อนจับยึดไว้มั่น นายหญิงของแง่สายพี่สาวของจักรราษอย่าร้องไห้จับมือผมไว้แล้วลุกขึ้นมาเถิดรักแท้ย่อมเต็มไปได้วยอุปสรรคปากน้ำผมจะนำทางให้แก่พี่สาวเองจุดใจจุดหนึ่งที่ทิวาพกกับราตรีการจุดนั้นคือ จ, จุดที่ความรักสมปรารถนาอย่าท้อแท้สิ้นหวัง ตราบใดก็ตามที่แงทสายหรือจกราตนี้ยังอยู่